อาจารย์ครับการนักวิชการครับผมอจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้กําลังถ่ายกันว่าวันนี้จะมีคนใส่บาตรเกินสี่ร้อยคนไหมครับาาร <laughs> คนเดากันลายตัวเลขเลยครับอาจารย์ครับคือถ้าที่สมัยใส่กันที่ที่บินนบาตรก็สี่ร้อยเก้าสิบห้าคน<อ>แต่มีทางบ้านที่ฝากให้แม่ค้าใส่ให้ประมาณอ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบ้อยเก้าสิบคนโอ้โหใสามเจ้าด้วยกันครับผมเจ้าที่เขาสั่งออนไลน์เขาต้งสั่งให้ก็รวมเ <c ười> กือบเจ็ดร้อยคนนะครับราาอาจารย์เกือบ5้าร้อยใกเกือบเกือบสองร้อยก็เกือบเจ็ดร้อยคนห0ร้อยกว่าครับผมไม่รู้มีคนเดาถูกหรือเปล่าบอกว่าถ้าเดาถูกจะส่งหนังสือไปให้ครับ ก็ต้องแยก้วทางว่านี่คือส่วนหนึ่งแล้วทางที่มาใส่ยงอีกส่วนหนึ่งครับผมอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสี่สิบแล้วครับอาจารย์ครับก็อยากจะ เรียนถามพระอาจารย์พระอาจารย์เมตตาสั่งสอนเรื่องปัญญาในพระพุทธศาสนาบ้างครับเพราะว่าปัญญาทางโลกพวกเราก็มีกันอยู่แต่ว่าปัญญาในทางพุทธศาสนานี i คืออะไรแล้วเราจะต้องศึกษาปฏิบัติอย่างไรครับอาจารย์ครับกลับขอความเมตตาครับปัญญาทางศาสนาก็คือความจริงที่เอามาใช้ดับความทุกข์ของใจใจทุกเพราะใจหลงไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นสิ่งที่ว่าไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนท่า น, นั้นแหละเนี่แหละคือปัญญาสรุปอุปสาสนาเราทำไมมองไม่เห็นกันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่มีตัวตนเช่นร่างกายเราเนี่ยมันเที่ยงไม่เที่ยงอยงมันมีตัวตนก็ไม่มีตัวตนอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าอยังไม่รู้ โอ้ยเชี่ยฝังฝังริ้วใจว่ามันมีตัวตนมันเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงมันก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะทำมาจากดินน้ำลมไฟท่านนนเอเหมือนกันทําจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ก็ต้องมีดินมีน้ํามีลมมีไฟร่างกายก็ต้องมีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่มีตัวตนแต่ มีธาตุรู้มามาครอบครองแล้วก็ยึดถือว่าเป็นตัวตัวธาตุรู้ตัวธาตุรู้หลงอยู่ในตัวว่าตัวเองมีเป็นตัวตนแล้วก็พอไปได้ร่างกายมาก็เลยไปถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราอันนี้แหะที่เราต้องมาแก้เพราะการไปเห็นว่าอะไรเป็นตัวเราของเรามันจะทําให้เรารักเราหวง แล้วก็อยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปวเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าสูขเสียใจเวลาอยู่ก็ยัวิตกกังวลหงอยายกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเพราะความหลงเองความไม่เห็นความจริงความหลงก็คือการไม่เห็นความจริง ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสภาวะทางเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติกายนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเป็นการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นส่วนของร่างกายและพอมีร่างกายเกิดขึ้นมาธาตุรู้ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดเข้ามาเชื่อมต่อกับร่างกายที่โดยโดยการส่งสัญญาณ ที่มาเกาะที่ตาหูจมูกเนื้องายของร่างกายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเราเชื่อมมันด้วยอะไรอย่างตอนนี้ยที่เราคุณหมอแลเราเนี่ยเชื่อมกันต่อกันได้อะไรก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอินเทอร์เน็ตมันก็มันก็มาทั้งทางสายมันมาทั้งทางทางอากาศนเป็นสัญญาณเชื่อมต่อกันแล้วก็เลยทำให้คิดว่าอยู่ในที่เดียวกัน นะครับจึงนั้อยู่คนละที่กันธนะาตุนู้กับธาตุเนน้ำลมไฟเคล่อนร่างกายก็อยู่คนละมิติธาตุนู้ีอยู่ในมิติที่เรียกว่าโลกทิพย์ส่วนธาตุร่างกายนี้อยู่ในมิติที่เรียกว่าโลกธาตุธาตุสีโลกของธาตุสีร่างกายนี้อยู่ในอยู่สิ่งต่างๆที่ร่างกายอยู่ด้วยนี่เป็นธรรมัญญาธาตุทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นดินน้ํานมไฟภูเขาแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่เป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีตัวตนทั้งนั้น <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่าร่างกายตัวรู้นี่มันหลงว่ามันตัวมันตัวมันเป็นตัวตนปัญหาอยู่ที่อวิชชาในจิตในตัวรู้ตัวรู้คิดว่าตัวเองเป็นตัวตนอันนี้ ตอนเองก็ไม่ได้ ต, ดตดัวตอนเป็นเพลงมีเป็นเป็นเพียงฟังก์ชั่นมีว่ามีฟังก์ชั่นก็มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดได้แล้วความหลงก็มาหลงให้คิดว่านี่แหละคือเราเราเป็นเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วพอไปครอบครองร่างกายก็ไปใคร่าร่างกายก็เป็นตัวเราของเราขึ้นมาอเอาลา ท่านนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเนยเป็นเหมือนความว่างเมื่อได้ร่างกายมาอยู่กับร่างกายก็เปเหมือนแฝดสยามจิตอินกับจันร์ร่างกายมีรูปร่างแต่ละจิตไม่มีรูปร่างแต่เมื่อจิตมาเป็นผู้ครอบครองเป็นเจ้านายของร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างจิตก็เลยคิดว่าอยู่ในร่างกายไป มือนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่ศึกษาร่างกายนี้ก็ว่าจิตอยู่ในสมองผู้รู้ผู้คิดอยู่ในสมองแล้วความรู้สึกนึกคิดมันก็คิดไปคอยตามไปด้วยมันก็เลยคิดว่าจิตกับร่างกายอยู่อยู่ที่เดียวกันหมือคงสมัยก่อนที่คอยตามว่าโนนี่แบบคิดเชื่อว่าโลนี่แบบ กรเลยไมกาสร้างเรื อ, ออกไปไกลถึงขอบฟ้าปูจะตกออกรอบโลกไปถ้าเลงบนแบนเป็นเหมือนโต๊ะเดี๋ยวปูใบขอบถึงขอบโต๊ะแล้วก็หลุดออกรอบโลกไปแต่ก็มีคนที่คิดเป็นคิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์คิดด้วยหลักเหตุผลเพราะว่าโลกนี้มันมั น, ม, นมันไม่มันไม่แบนมันกลมมันโคง้งเราเวลาเรือเข้ามาจากฝั่งมะ ดูมาจากจากทะเลเข้าฝั่งนี้สิ่งแรกที่เราจะเห็นไม่ใช่ตัวเรือใช่ไหมเราเห็นเสากระโดงมันถ้ามันเป็นพื้นราบพื้นเรียบมันก็ต้องเห็นทั้งลาเลยเห็นทั้งเรือเห็นทั้งสเสาพร้อมกันแต่นี้มันก็ค่อยเห็นส่วนสูงก่อนแล้วก็ลดลงมาส่วนต่ํำเขาก็เลยว่าโลกมันมันโคง้งมันเว้าแต่มันใหญ่มากเลยเลยว่ามันแบน ก็เลยกล้านั่งเลือออกไปท้าพิสูจน์ว่านั่งไปทิศนี้นแล้วเนีจะกลับมาอยู่ทิศเดิมมุ่งไปทางทิศตะวันตกเนี่ยไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นวงกลมเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่จุดที่เราเริ่มต้นได้เขาก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระุจ้าก็พิสูจน์ได้ว่าใจนี้เป็ น, เ, ป น, เ, ปนเพีงแต่ธรรมชาติที่คิดได้ที่มีความสามารถที่จะคิดที่อยารู้ พอมาเชื่อมกับร่างกายก็มาว่าร่างกายนี้เป็นตัวของของผู้รู้ผู้คิดไปซึ่งร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ํำลมไฟเพราะอยู่ได้ขณะดโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีธาตุนีธาตุของพ่อของแม่มาะสมกันแล้วแม่ก็เติมธาตุให้อยู่เรื่อยๆธาตุของแม่ผ่านทางสายเดีย์แม่ก็เติมลมเข้าไปในร่างกายเติมน้ําเข้าไป เร่ดินเข้าไปของแข็งต่งตางๆที่รับประทานเข้าไปก็ทํำมาจาก่านดินนะและ้วธาตุไฟก็ได้มาจากความความร้อนของดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็ได้จากปฏิกิริยาของเคมีเวลามีปฏิกิริยาทางเคมีมักจะมีมีความร้อนปล่อยออกมาด้วยคว เ, เคยเรียนเคมีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นธาตุไฟ เสร็จแ้วร่างกายนั้นก็เป็นเป็นเคมีเน่ะทำมาจากธาตุต่างๆยภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรื ygen, rogen, Carbon, ่องออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อปรวมตัวกันแล้วก็มาสร้างอาการสาสิบสองขึ้นมาไม่มีไม่มีตัวตนอยู่นะมีแต่มีแต่มีแต่ธาตุมีแต่ออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆนี้ก็ ถ้าถึงเวลาที่มันแยกกันเวลาร่างกายตายถ้าหลังล่านี้ก็แยกกันออกไปส่วนที่เป็นน้ําก็ออกไปส่วนที่เป็นความร้อนก็ออกไปส่วนที่เป็นลมก็ออกไปเหลืออยู่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งก็เป็นธาตุินไปคนหาตัวตนไม่เจอในร่างกายถ้าวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่มีตัวตนมันเหมือนต้นไม้เนยจิตผู้ที่มาครอบครองนี้เป็นหลงที่ว่าตนเองเป็น เป็นร่างกายเราคิดว่าตนเองเป็นตัวตัวตนถ้าปัญหาก็อยู่แค่ตรงนี้ก็ต้องมาแก้ตรงนี้วิธีแก้ก็ต้องแยกกายกับจิตออกด้วยการฝึกสมาธิเพื่อจะให้รู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วจิตสงบความคิดหยุดปงแต่งถึงเรื่องตัวตนความรู้สึกว่ามีตัวตนก็หายไป เนื้อแต่สักแต่ว่าเรารู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นปัญญาทางพระพุทธศาสนาคือปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ไตรลักษทุกสิส่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเป็นเป็นธาตุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอนัตตาไม่มีตัวตนและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับ ใครไปยึนสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไปยึดแล้วไปอยากให้มันไม่ไม่เสือ่อมไม่ให้มันดับก็จะทุกขึ้นมาทุกเพราะว่าอันนี้ทุกเพราะความอยากความอยากนี่ทางความทุกข์ทางใจให้ทีไม่ใช่ทุกข์ทางร่างกายทุกข์ทางร่างกายนี้มันเกิดจากการร่างกายไปประสบกับการเปลี่ยนแปลงเช่นขาดธาตุมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ทาดานก็หิวข้าวถิยวน้ำท่า น, น้ำท่านินก็เกิดทุกขเวทนาอันนี้ไม่ใช่ทุกขที่เกิดจากความอยากเกิดจากความเสื่อมคือการเปลี่ยนแปลงของของธานของร่างกายแต่ทุกขทางใจนี้เกิดจากความอยากอยากให้ร่างกายนี้ที่ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรานี้อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พออยากแล้นมันไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ใจเวลามันแก่ก็ทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ใจเวลาจะตายก็ทุกข์ใจแต่ถ้ารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนจะตกมันก็จะตกแานมันจะออกมันก็ออกเราห้ามมันไม่ได้เราไม่ค่อยทุกข์กับดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่เราห้ามไม่ได้อยากไม่ได้ก็เลยไม่อยาก ไม่อยากให้ฝนตกไม่อยากให้แ่ดออกเรารู้ว่าอยากก็ไม่ได้อยู่ดีทุกข์ไปเปล่าๆท่านนาก็ต้องมองร่างกายเหมือนดินฟ้าอากาศแก่ไปอยากให้มันไม่แก่ถึงเวลามันจะแก่ก็ต้องยอมรับมันเหมอนกับถึงเวลาฝนตกเราก็ต้องยอมรับมันเห็นไหมเดี๋ยวเข้าหน้าฝนแล้วก็เตรียมเสื้อฝนเตรียม อ, อ, อะไรไว้รับฝนนะเพราะเรารู้ห้ามันไม่ได้เราก็ต้องเตรียมรับความแก่เตรียมรับความเจ็บเตรียมรับความตายนี้ พอเราเต็มรําได้แล้วใจเราก็ไม่ทุกเพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนนเนี่ยคือปัญญาที่มันดับความทุกข์มันเกี่ยวโยงทั้งไตนักมันเกี่ยนโยงทั้งอนิยสัจสี่ถ้าศึกษาสองส่วนนี้จนเข้าใจสามารถนํามาไปปฏิบัติได้ก็จะดับความทุกข์ทางใจได้ตอนนี้เราคุยกันนี้เป็นสุดะมัญาปัญญา เป็นปัญญา ester, ที่เราได้ศึกษาจากผู้อื่นแต่เรายังไม่เอามาใช้กับใจของเราเองใช้กับตัวเราเองที่จะจ ะ, จะใช้กับตัวเราเองได้ต้องเราก็ต้องมีกําลังใจของเราตอนนี้ไม่มีกําลัง ส, สู้สู้ความอยากไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้เมื่อเรารู้แล้ความอยากเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเราก็ต้องหยุดควา ม, อย า, ม, อ, ยามอยากไม่แก่อย่ากไม่เจ็บอย่ากไม่ตายแต่เราหยุดไม่ได้ เพราะเราไม่มีกำลังใจเรายังไม่มีกาลังต้องสร้างกาลังด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิถ้ามีสติจะก็นั่งหยุดใจได้ทำให้ใจนิ่ ง, งสแสดงว่ามีกำลังที่จะหยุดกิเลสเพราะกิเลเสอาศัยการทำงานของใจพอใจนิ่งสง บ, บความอยากก็หยุดทำงานไปทันที อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับพอตอนฟังนี้ก็เหมือนมีปัญญาอยู่ครับแต่เวล า, าไปเจอสถานการณ์จริงมาทีก็มาไม่ไทันครับไม่ได้ทำใจไม่ได้ต้องพยายามฝึกมาบ่อยๆพยายามห้ามใจหยุดใจอยู่เลื่ยห้ามความอยากต่างๆ ต, ต้องเข้าสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเป็นดูเบกขาขึ้นมาแล้วมันจะวางเฉยได้ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้ปัญญาเพิ่มเติมแล้วครับอขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้าง น, นะครับจากคุณดําครับบอกว่าต้องมีศีลสมาธิพร้อมก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้ใช่ไหมครับกอปัญญาในระดับแรกนี้สามารถจเจริญได้เช่นวันนี้เราก็มาเจริญปัญญาระดับแรกคือสุตตรมยปัญญาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อไป เราก็ได้รู้แล้วว่าวันนี้ว่าเราต้องไปสร้างสติสร้างศีลสร้างสมาธิขึ้นมาเพราะการจะมีสมาธิได้ฝึกสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเวลาเส้นแปดนะเส้นแปดคือห้าไม่ให้เราไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายให้เราเอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเอง อันนี้ก็เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นศึกษาเรียนรู้ว่าเราต้องต้องทำอะไรต้องทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อลาบความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุที่สร้างความทุกข์กับใจของเราอันนี้ปัญญาขั้นแรกจึงต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาเลยก็ไม่รู้เนี่ยถ้าถ้าไม่มาฟังเทศฟังธรรมรับถามนี้ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีสีสมาธินี่แสดงว่าได้ฟังทำมาพอสมควรนะ่ะ พอจะเข้าใจแล้วว่าต้องมีศีลมีสมาธิก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาขั้นขั้นสูงได้ขั้นภาวนามย์ปัญญาได้คือขั้นละ ก, กิเลสไปหยุดกิเลสได้หยุดความอยากได้ต้องมีศีลสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่เช่นนั้นใจจะไม่มีพลังไม่มีพลังสู้ความอยากหยุดความอยากไม่ได้ พระอาารครับการมีความเห็นที่ถูกต้องนี่ก็คือเริ่มมีปัญญาแล้วใช่ไหมครับก็มันมีเป็นขั้นๆปัญญาเริ่มต้ น, นแล้วก็นำไปสู่ปัญญาที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดครั้นที่จะใบละความอยาละสังโยนนี่เป็นปัญญาขั้นสูงสุดแต่ก่อนจะไปถึงปัญญาขั้นสูงสุดนั้นก็ต้องไต่เต้าจากปัญญาขั้นต้นก่อนว่าปัญหาของเราอยู่ที่ไหนปัญญาขั้นต้นก็นคือความทุกข์ของเราเอ เกิดจากอะไรถ้เกิดจากความอยากต่างๆไอเราวิธีที่จะละความอยากนี้ต้องทําอะไรก็ต้องสร้างสร้างกําลังให้กับใจสร้างศีลธรรมารที่ขึ้นมาครับคุณเนเนี่ครับอยากขอคข้าปรึกษาเรื่องหลานที่บ้านติดยาเสพติดมียาอ๋ออันนี้ทำเรื่องยาหรือวิธีไหนให้เขาเลิกได้ไหมครับอาจารย์ครับ ก็ให้เขาไปบวชถ้าก็บวชได้้็ไปบวช น, นะพอไปบวชแล้วที่วัดก็ไม่มียาเสพติดให้เสพเขาก็ต้องสู้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาต้องเป็นวัดที่อยู่ไกลๆนะไม่ใช่อยู่ในละแวกบ้านนะเดี๋ยวมันให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาเสพได้ต้อมไอยู่วัดป่าวัดเขาไกลๆเนีัยวัดทิพย์ธรกันดารไม่มีไม่มีน้าไม่มีไฟเหมือนวัดป่าบ้านตานสมัยก่อน พออยู่เรามันถูกจับครั้งในคุกเลยอนุญาตให้อกอกมาได้ตอนเช้าแค่ตอนบินธบาตนะอย่างนี้ก็อยากออกตอนเช้าเหมือนกันใช่ไหมครับ <laughs> ต, ตัวใหญ่พระก็จะรู้สึกอยากออกมาใช่มครับมันก็ไม่แน่นะเพราะมันมันต้องออกอนะ่ะเพราะมันต้องกินอนะถ้าไม่ออกมันก็ไม่มีกินถ้าไม่บินธบาตก็ไม่ไม่ฉันนั้นก็จะไม่ส่งอาหารให้อออื ไม่ไม่าบางทีเจ็บไายได้ป่วยท่านก็ไม่รับอาหารนั่นขอใช้สติใช้ธรรมโอสถสู้สู้กับการเก็บคไายได้ป่วยไปถือว่าเป็นการทําข้อสอบไปถ้าวันหนึ่งจะต้องเจ็บคไายได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็ไปกินอะไรไม่ได้อยู่ดีก็เลยต้องใช้สติปัญญาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการเจ็บไายได้ป่วยกิดจากการไม่ได้รับประธานา ก็ไม่เคยมีใครมีพระเสียชีวิตจากการอดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ไม่มีข่าวไม่มีข่าวมีแต่กิเลส ต, ตายส่วนใหญ่กิเลสตายตัวสกายาทิฏฐิตายสังโยชน์ที่ไ ป, ไปยึดไปตัวเราของเราเมื่อมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไปดูแลรักษามันให้ยุ่งยากทำไมมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเลยใช่ไหม คุณจุ๋มครับบอกว่าการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรรีบใช่ไหมครับคือคําว่าไม่ควรรีบนี่มันหมายความว่ายังไงคือมันต้องรีบศึกษาแต่ว่าไม่ใช่รีบศึกษาแต่รีบแบบเรียนให้มันจบจบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจนี่ไม่ใช่ให้รีบเรียนแค่ว่าเวลาเรามีน้อยเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ให้รีบแบบนี้ให้รีบเรียนแต่เวลาเรียนให้เรียนด้วยการมีสติ เรียนด้วยความเขาเรียกว่าไม่รีบร้อนอให้เรียนให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้รู้เรียนเพื่อให้รู้บางทีรีบร้อนเพียจากอ่านอ่านแล้วก็ท่องๆแล้วบอกเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลืมคุณพัสรัตน์นายครับบอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งอยากจะบวชครับแต่แกเคยรักษาจิตเวทตั้งแต่ดื่มสุรามากเกินไป แต่ตอนนี้เลิกได้หนึ่งปีแล้วแต่ยังต้องกินยาปรับอารมณ์อยู่คุณลุงเขาจะบวชได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับวัดที่ไปขอบวชนะท่านเจ้าว่าท่านจะว่าอย่างไรแต่ละวัดก็มีนโยบายไม่เหมือนกันบางวัทว ด, วดวท่านก็เมตตารับบวชหมดบางวัท่านก็เข่งคัน ด, ดูกฎเกณฑ์ดูความสามารถอย่างสายหลวปูชาเนี่ยเห็นบอกว่าต้องไปเป็นผ้าขาวอยู่ปีหนึ่งก่อน ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะมาอยู่ให้เป็นถือศีลแปดเป็นพระขาวก่อนแล้วออนหนึ่งปีทวนแปลให้บวชเป็นเณรอีกสองปีก่อนนั้นจะให้บวชเป็นพระได้ครับอืมท่านดูนิสัยเลยคดูนสัยดูความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรแล้วก็ดูความความตั้งใจว่าแน่วแน่ไหมยอมสู้กับมุปาสตร์ที่ขวางกั้นไหม น้นนถ้าผ่านได้ก็สอบบวชเป็นพระได้ปีที่สาม่พอพ้นไปปีที่สามแล้วก็บวชเป็นพระได้คุณมาริสาครับบอกว่านั่งสมาธิทุกวันแต่การทำจิตใจให้มีความสงบและมีสมาธิจริงๆทำได้ยากมากเจ้าขาการทำสมาธิแบบง่ายๆทำอย่างไรครับ ง broad, th th amas, be BACK, ่ายๆก็พุทโธไปเรื่อยพุทโธไปทั้งวันสามารถทําสมาธิโดยที่ไม่ต้องนั่งก็ได้ทําอะไรเราก็พุทโธพุทโธไปทำน้ําน้างหน้าแปลงฟันก็พุทโธพุทโธไปแล้วพอเวลาเราไม่ต้องทําอะไรเราก็นั่งแล้วก็พุทโธต่อไปเพราะท่านนั้นเองมันง่ายจะตายไปคําว่าพุทโธมันยากตรงไหนเมื่อกี้นั่งนอนแล้วก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่ทำน้าน้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ทําอยู่แล้ว เนี่ยนะให้มิพุโทโธกำกับไปด้วยทั้งเองอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเองมันง่ายจะตายไปลองทำดูสิจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าเรารักคนคนหนึ่งเพราะความดีงามไม่ใช่เพราะรูปรักษณ์ภายนอกการพิจารณาอสาุภะจะช่วยในการปล่อยวางคนคนนี้ได้ไหมครับ เ, ออเราพิจารณาความตาย ความมันที่จาความไม่เที่งแท้ของร่างกายของเขาร่างกายของเขาก็ต้องแก่เจ็บเจ็บตายไปตามตามบาระของเขาไม่มีใครห้ามได้ส่วนในเรื่องความรักแบบทางเพศท่านัน้นเะาถึงจะต้องใช้อัศวะเช่นถ้าเรารักร่างกายเขาอยากจะนอนกับเขาอย่างเนี้ก็ต้องมังว่าเรากําลังนอนกับอะไรมานอนกับโคก็ดูกหรมาเขนอนกับลําไส้ปอดตับไตอะไรต่างๆเีย มันก็จะทำให้ความอยากจะนอนรุ่มๆนอนกับเขานี่หายไปได้คุณมาริสาครับคนที่มีความทุกข์ชอบทำให้คนใกล้ตัวมีความทุกข์ไปด้วยคนที่มีความสุขก็ทำให้คนใกล้ตัวสุขไปด้วยเป็นเพราะเหตุใดครับเขามีอะไรเขาก็ให้เราอย่างนั้นเลยเขามีความทุกข์เขาเขาจะเอาความสุขมาจากที่ไหนมาให้เรานะ่ะเวล า, า, า, า, ามีความทุกข์เขาก็ลบาความทุกข์ของไงนะคนนั้นว่าคนนี้ว่าเขาทุกข์ คนที่มีความสุขเขาก็ปล่อยความสุขออกมามีความสุขคนนี้ก็เลยทลาบุญทหน่อยซื้อข้าวซื้อของมาแจากคนนั้นคนนี้เขาก็ระบายเอาความสุขออกมางั้นอยู่ที่อยู่ที่ว่าเรามีอะไรในตอนนั้นในละในใจเราเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะปล่อยความทุกข์ออกมาเวลาเรามีความสุขเราก็ปล่อยความสุขออกมาคุณวันธนาครับ การที่เราดูแลคนเจ็บป่วยเราได้บุญระดับไหนครับก็เป็นบุญที่รับใช้พู่น ด, ดูแลพู่นสงฆ์พูนก็เป็นระดับทานเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าแทนที่เราจะต้องใช้ข้าวของเงินทองเราก็ใช้เวลาของเรามาให้กับการดูแลเขาไป คุณไลโคปีนครับอดอาหารนับวันอย่างไรครับนับคร่าวๆไหมครับแบบถ้าวันนั้นมื้อเช้าไม่กินแล้วไม่กินเลยก็ถือว่าหนึ่งวันหรือต้องจับเวลาให้ได้ยี่สิี่ชั่วโมงเป๊ะเปะเป็นหนึ่งวันครับก็แล้วแต่จะจะจับมันก็หนึ่งวันอยู่ดีเนะมันเมื่อวันนี้มันกินสามื้อวันนั้นแล้วนนก็ไม่กินสามวันนั้นแล้วก็ไม่กินเลยอนะ ต, ตั้งแต่เช้าถึงถึงมืเนี้อ จะมากินอีกทีก็วันรุ่งขึ้นตอนเช้ายีิบสี่ชั่วโมงโดยหลักแล้วก็ต้องเป็นยี่สิบสี่ทางศาสนาพุทธเรานับวันตั้งแต่ตะวันเริ่มสว่างขึ้นมาพอท้องฟ้าสว่างขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าวันเริ่มต้นของวันใหม่แล้ววันนี้วันใหม่นี้จะหมดก็ต่อเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นถึงพระพ้าสว่างของวันรุ่งขึ้นวันนี้ถึงจะหมดก็ยีิบสี่ชั่วโมงโดยประมาณแต่ไม่นับแบบทางสากลนับที่เที่ยงคืน ถ้าเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเพราะว่าต้มน้ำมากกินได้สบายแล้วไม <c oughs> ่ไม่อยากไปอดด้วยกันถ้าอดต้องหิวอย่าไปอดด้วยกันอดเพื่อที่จะไม่ๆๆไม่กินไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อดเพื่อที่หาช่องช่องว่างพื้นที่ที่จะกินเราอดเพื่อที่จะเอามามามาเอาความหิวนี่มากดดันให้เราปฏิบัติธรรมให้เรามาภาวนาพอเวลาหิวมันจะไม่ค่อยง่วงนอน ลมันมีความทุกข์ทางใจเพราะอยากกินนู่นกินนี่ก็ต้องพยายามบังคับด้วยสติให้หยุดหยุดคิดหยุดอยากนะคุณแม่นครับทำอย่างไรถึงจะให้เห็นว่าเราไม่มีตัวตนตัวเราไม่มีมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างแท้จริงครับไม่รู้จะให้ดื่หว่ายัางไง คุณตัดผมไปแล้วตัวคุณหายไปด้วยหรือเปล่าผมผมคุณเป็นเป็นคุณหรือเปล่าเวลาถอนฟันไปแล้วฟันคุณหายไปคุณตัวตัวคุณหายไปกับฟันหรือเปล่าหรือในมีอุบายวิธีก็คือให้แยกแยะอาการ32เอามาแยากมาเส ม, มิแยกมาเป็นกองๆเอาผมมากองไว้กองหนึ่งเอาเล็บฟันฟันไว้คนละกองแล้วก็ถามว่า เราอยู่ตรงกลองไหนอยู่ที่ในฟันอยู่ในเล็บอยู่ในขนอยู่ในหนังอยู่ในเนื้ออยู่ในเอ็นหรืออยู่ในกระดูกเพอพอตรวจสอบดูทั้ง312อาการแล้วไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนใน312อาการเรานี้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะแยกแยะว่าเราไม่มีตัวตนในร่างกาย คุณคุณหมีครับญาติทาพินัยกรรมให้เรานําเงินของเขาจํานวนหนึ่งไปทําบุญเมื่อญาติตายไปและเรานําเงินนั้นไปทําบุญตามที่เขาต้องการใครเป็นผู้ได้รับผลบุญนั้นครับเราได้บุญเพราะว่าเงินนี่ไม่เพราะเราเป็นคนเถิดทำแล้วเงินนี่มันก็เป็นของเราแนละ้วนังจากที่เขาตายไป <c oughs> เขาไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้ทําบุญหรือไม่ถ้าเขาอยากได้บุญเขาก็ต้องทําตอนที่เขายังไม่ตายเช่น ทำเงี้ยเขาบอกให้คุณช่วยช่วยทําบุญแล้วคุณก็ไปทําบุญแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งมาให้ก็ดูอ่าได้ทําบุญให้น้องนะอยเงี้ยเขาก็จะได้บุญเพราะเขาเห็นเห็นครับเห็นผลที่เกิดจากการเสียสละของเขาว่าได้ไปทําประโยชน์แล้วได้เสียสละเงินทองก้อนนีดไปแล้วแต่เวลาตายไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเร า, เาไปทํำหรือไม่ไปทําถึงแม้เราจะเอาไปทำเขาก็ไม่รู้ <c oughs> เขาก็จะไม่ได้บุญ คุณมาริสาครับเวลาที่หนูเห็นคนที่มีความทุกข์โศสารเขามากพยายามชวนเขาสวดมนต์หรือฟังธรรมะเพราะโทรทัศน์ที่ไต้หวันก็มีช่องแสดงธรรมะแต่เขาไม่ชอบไม่สนใจเลยอย่างนี้เรียกว่ากรรมของเขาใช่ไหมครับเรียกว่าเขาไม่ยอมกินยาไม่สบายแล้วก็เอายาเขากินแต่เขาไม่ยอมกินยาธรรมะโ อ, อสถเลคุณอู๊ดครับ เรานั่งภาวนาโดยบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆและกำหนดจิตไว้ตรงหน้าผากจิตยังไม่ลงเป็นสมาธิแบบนี้ถือว่าเป็นการสะสมบุญไหมครับก็ยังไม่ได้บุญนะเป็นแต่การเป็นการสร้างบุญขึ้นมาเหมือนกับการปลูกข้าวข้าวยังไม่งอกออกดอกออกผลก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะก่อนที่เราจะได้ข้าวเราก็ต้องปลูกข้าวก่อนก่อนที่เราจะได้ความสงบได้บุญจากความสงบเราก็ต้อง ภาวนาบริกรรมพูดโธรพูดโท ร, โทรไปเรื่อยก่อนพอจิตสงบเมื่อไหร่ได้เกิดความสุขใจขึ้นมาตอนนั้นแหละคือบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะบุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจนั่นเองคุณสาระครับสุบุรีผิดศีนข้อห้าไหมครับไม่ผิดเพราะมันไม่ทำให้เกิดอาการมึนเมาศีนห้าข้อห้านี้ห้าไม่เสพสิ่งที่ทําให้เกิดการขาดสติเสียสติ ควบคุมการการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ได้หมากคลูบุหรีนี่ไม่ถือว่าเป็นเป็นยาเสพิไม่ไม่ผิดศีลสมัยก่อนคนไทยเวลานินมนต์พระไปบ้านไปสวมดมนต์เนี่ยเขาจะเตรียมหมากพลูไว้ถวายพระแต่ฝิ่นกัญชายย่ายี้ไม่ได้ใช่ไหยครับไม่ได้ <c oughs> พรามันทำให้เกิดอาการมึนเมาขึ้นมา คุณพรศรีบอกว่าการฝึกฝนทําให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นครับคุณอู๊ดครับคุณพ่อเป็นบุคคลล้มละลายเราจะแนะนําท่านอย่างไรดีครับเขถามท่านถามท่านถามเราหรือเปล่าถ้าท่านไม่ถามเราก็ไม่ต้องแนะน า, าอย่าไปซ้อนคนคนที่เขาแก่กว่าเราเลยขเขาผ่านร้อนผ่านหนมาวมากกว่าเรา นอกจาว่าถ้าเขาอยากจะขอคําปรึกษาแล้วก็ค่อยแนะนําไปท่าที่เรารู้ถ้าไม่รู้ล้วก็แเรวก็ตอบว่าเราไม่รู้เหมือนกัน <Okay. S 3> คุณใบยกครับติดสมาธินี้ลูกเข้าใจเจ้าค่ะคือเมื่อจิตว่างไม่ต้องคิดอะไรแล้วชอบใจในสิ่งนั้นแต่การติดปัญญาลูกยังไม่เข้าใจคือการคิดมากใช่ไหมเจ้าค่ะและจะไม่ใช้ปัญญามากได้ด้วยคําบริกรรมเข้าใจถูกไหมครับ คือการใช้ปัญญาต้องคิดด้วยเหตุด้วยเหตุด้วยผลไงคิดเหมือนกับการค้นคว้าหาหาความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาเช่นหาตัวตนในร่างกายเราเนี้ยให้ตัวตนเราอยู่ตรงไหน <c oughs> บางทีมันก็ค้นหาแล้วมันยังหาไม่ได้คำตอบ ม, มันก็พยายามค้นไปเรื่อยๆมันจะทัา ง, งเกิดความความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาทางปัญญาเกินไป ถ้าไม่เรียกว่าติดปัญญาทั่านเรียว่าติดสังขารติดความคิดปรุงแต่งก็ต้องพักจิตห้าข้อไปในสมาธิก่อนให้จิตพักให้มีแรงแล้วค่อยกลมาคิดใหม่เพอาางทีพิจารณาทางปัญญาแต่ไม่ได้พิจไปตามแนวที่ควรจะเป็นไม่ได้คิดไปในแนวทางของตายรักคิดไปแบบสเปะสปะก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้ผลเกิดขึ้นมาก็ต้องพักจิตก่อนแล้วก็กลับมา ศึกษาดูวิธีการพิจารณาอย่างถูกต้องว่าต้องพิจารณาอย่างไรเมื <c> ่อ <oughs> กี้ที่คุณอูดถามเขาบอกคุณพ่อล้มละลายนี่นนคือจะแนะนํำยังไงให้ให้ท่านทุกน้อยลงครับอาจารย์ครับใช่เราก็อยากให้ท่านทุกน้อยลง <c oughs> แต่อยู่ที่ว่าถ้าท่านไม่ถามเราไม่เราก็ไม่ควรที่จะไปแนะนําเพราะเราเป็นเราเป็นเด็กกว่าท่านท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเดี๋ยวจะปไปจะไปการไปสอนสอนครู สอนพอไหมนะนอกจากเราทําให้ท่านหายทุกข์ได้มีกันก็ไปไปกู้การล้มละลายของท่านเลยท่านมีหนี้สินเท่าไหร่ล้วก็ไปจ่ายให้หมดก็อยากให้ท่านพ้นทุกข์รับประกันได้ท่านจะหายทุกข์เลยดีใจออลูกเราดีนะยุสาส า, ามากู้หนี้ให้กับเราจ่ายหนี้สินต่างๆให้กับเราแต่ไปพูดไปเฉยๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว ใครๆก็พูดได้แต่ทําใจไม่ได้คุณวัศุครับการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆต่าง ก, กันกับท่องพุทธโธในใจโดยไม่ได้คิดถึงคุณของพระพุทธองค์ไหมครับก็ต่างกันเราคิดท่องพุทธโธนั้นก็คิดเพียงแต่ชื่อของท่านนั่นเองเราไม่ถึงชื่อของท่านแต่จะคิดถึงพระพุทธคุณเราก็ต้องคิดว่าท่านเป็นใครเนาอท่านเป็นผู้ตัดสู่ด้วยพระ อ, องค์เอง รู้สัตย์จะทำอริยสัจสี่แล้วท่านก็เ า, ามาสั่งสอนเผยแผ่ถ้าไม่มีท่านมาตัดสัตวมาสั่งสอนเราก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และแล้วถึงบุญคุณของท่านที่มีต่อพวกเราทั้งหลายที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่เหมือนคนที่คนพบวิธีรักษาโรคมะเร็งเขาไม่เก็บไว้ใช้ไม่เก็บไว้กับตัวเขาเองเอามาเผยแพร่ผ่านทางเว็บของหมอวีเนี่ยใครไป็นโรมะเร็งให้กินยายฉันที่นี่ ฉ, นฉนันฉนี้กินแล้วรับประกันหายได้เลย ทุกคนก็จะระลึกถึงบุญคุณของคนคนนี้ใช่ไหมโอ้คนคนนี้ก็ดีแล้วเกันเขารู้จักรักษาโรคอะไรและเ ข, ข้ามาสอนมาบอกโดยที่ไม่คิดสตังค์นี่ก็คือเราเถึงบุญคุณของคนคนนั้นเราเถึงบุญคุณของพระเจา้าท่านมีบุญคุณกับโลกอย่างไรบ้างคุณลายขอบีนครับ กำหนดเวลากินโดยเริ่มกินตอนเช้าเมื่อเห็นเส้นลายมือถึงเที่ยงได้ไหมครับแต่เวลาในการดูเส้นลายมือแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันในแต่ละวันครับเพราะดวงทิตย์มันไม่ดหยุดนิ่งกับที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะที่แต่ละวันนี้มันจะขึ้นช้าขึ้นเร็วัเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณมุทิตาครับ ทำอย่างไรให้มีพุโทโธเร็วๆเกิดขึ้นในใจได้ครับถ้าทําได้จริงจะช่วยลดความคิดกลัวความเจ็บปวดทางกายได้เหมือนเราเคยเพ่งมองดูใจที่กลัวจนหายตัวได้จริงครับก็ท่องเร็วๆไปถ้อยากให้พุโทโธเร็วๆก็ท่องเร็วๆไปนั่นเองอยู่ที่เราเราปรับความเร็วความช้าของพุโทโธได้นะทำพุทโธสบายๆก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธ เวเจอความเจ็บก็พุโพุโถพุโพุโไปเรื่อยๆ อ, อย่าให้ใจไปคิดถึงความเจ็บก็ได้คุณจุ่มบอกว่าขอต่อจากเมื่อตะคู่นะครับเรียนแบบไม่รีบร้อนหรือใจร้อนต้องตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจแต่ต้องรีบเรียนเพราะเวลาไม่ค่อยท่าไม่ค่อยท่าใช่ไหมครับใช่ถูกนาะคุณไลค์ขรีนบอกว่าพลั้งปากพูดผิดนี่ถือว่าโกหกไหมครับ ก็เป็นงานขาดสตินะถ้าไม่มีเจตนาก็ยังไม่ถือว่าเป็นการโกหกไม่ไม่ผิดศีลนะแต่ถ้ามีเจตนาจะโกหกเราพูดไปเนี่ยมันก็ผิดศีลได้ถ้าพังตา ก, การ จ, จะพูดแบบพูดแบบไม่พูดเแบบพราะเจอก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะว่ามันพูดไปแล้วมันก็ทําให้คนหลงคิดตามเชื่อตามก็ได้ก็ทําให้เกิดความเสียหายแก่ให้แก่ผู้อื่นได้เหมือนกัน คุณสิดาพัทครับนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทได้ไหมครับบริกรรมตามไปกับลมหายใจครับก็แล้วแต่ถ้าเราเชอบแบบนี้ก็ได้จะพุทโทโดยที่ไม่เอามาผูกไว้กับลมก็ได้พุทโทอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้หรือจะดูลมอย่างเดียวโดวยไม่ต้องพุทโทก็ได้แล้วแต่จใจของแต่ละคนอาจารย์ครับสมัยหลวงตาพุทธโทพุทธโทไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวกับล ม, มไม่เกี่ยวกับลมหรือลมก็ลมอย่างเดียว คุณมาริสาครับวิธีการพ้นทุก์ต้องรีบเรียนรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคส่วนกายะคตาสติและอนาปานาสติก็สําคัญใช่ไหมครับก็เพราะว่ามันก็ละส่วนไงทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้นี้ก็คือเรื่องของปัญญาแต่ปัญญาจะละสมุทัยได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิถึงจะมีกําลังหยุดความอยากละละตัณหาความอยากได้มันกําลังทําทั้งสองสว่วน ศึกษาทั้งปัญญาแล้วก็สร้างสติสร้างสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาถึงจะสามารถหยุดสมุทยัยหยุดหยุดความทุกข์ได้คุณพิมพ์นภัสครับคนที่เขาเลี้ยงดูแต่แม่ให้แม่แต่เขาจะไม่ทำทานทางอื่นคือไม่ช่วยใครแบบนี้เขาได้รับบุญไหมครับได้เขาทำบุญกับแม่คนเดียวก็ได้แม่ก็เป็นเหมือนผ้าหลานของลู ก, ลก คุณนินะครับหนูนั่งสมาธิทุกวันมาหลายเดือนแต่ยังไงก็นั่งได้ไม่เกินสิบนาทีเลยครับทำยังไงถึงจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นครับต้องจเจริญสติบ่อยๆก่อนที่จะมานั่งวันทั้งวันเนี้ยเราสามารถจเจริญสติพุโทโธพุโทโธได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับงานที่เราทำนั้นนอกนั้นแล้วเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธหยุดความคิดไว้ โดยไม่ใช่นนั้นนบังคับให้ใจเราจดจอ่ออยู่กการกระทำของร่างกายในทุกิริยาบทถ้าเราจดจอ่ออยู่แล้วก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราแสดงว่าเรามีสมาสติมากนั่งสมาธิจะนั่งได้เกินสิบนาทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงเลยถ้าจิตสงบก็ได้คุณโพคินครับ พระเนนหลายคนเข้าใจเรื่องการงดอาหารหลังเพนผิดผิดอยากขอทราบข้อปฏิบัติของพระที่ถูกต้องครับเช่นการฉันการรับบิธฑบาตครับมันก็ผิดถ้าถือศีลเป็นภาพบวชมาไม่ว่าจะเป็นภาพเหนึนงก็ฉันหลังเพนไม่ได้มันผิดมันผิดศีล อ, อ่อนิมง้์งอาหารหลังเพนการวนลาหาหลังเพนไม่ผิดไม่มีข้อห้าเพียงแต่ว่าถ้างดเพื่อไปอวด อว่าเราเก่งแล้เราอดอาหารไม่กินได้เนี้ยท่านก็ถือว่าไม่มรู้ว่าผิดหรือปล่าแต่ท่านห้ามไม่ให้ทำแบบนี้แต่ถ้าเราอดอาหารเพื่อที่จะเป็นการอุบายสอนอุบายสร้างให้เรามีความเพียรที่จะปฏิบัติจิตตภาวน า, า, านี้ก็ไม่ผิดแค่อดแล้วรู้สึกว่าจะให้คนชมนี้ก็ผิดเลยใช่ไหมครับอ <TH> <c oughs> าจารย์ครับก็ผิดแล้วมันเกิดผิดจตนาลมของการอด มันกิเลสไปแล้วความอยากอยากได้ ส, สันนิษฐานครับจากประมูลครับการบวชเป็นพระในทางพุทธศาสนาสามารถบวชได้กี่ครั้งครับมีข้อจํากัดไหมครับไม่มีหรอกอยู่ที่ว่าพราะอุปรชาชจะบวชให้เราหรือไม่ถ้าถ้าบวชหลายๆครั้งท่านก็อาจจะเบื่อขึ้นมาบวชไปแล้ว เ, เดยกก็ศึกเสียเวลาบางที่ก่อนจะบวชอา จ, จะบังคับให้เป็นผ้าขาวสักปีหนึ่งก่อนก็นกได้ ในประเทศไทยตอนนี้สมัยนี้มันบวชกันง่ายโดยบางวันนะเขาไม่ก็ไม่เขาไม่พิถีพิถันใครจะมาบวชก็บวชให้บวชเช้าสุดเย็นก็มีบางคนพ่อตายก็บวชให้ทีแม่ตายก็บวชให้ทีนุงตายก็บวชให้ทีบวชหลายครั้งก็มีบางคนแต่บวชแบบนี้มันไม่ได้บวชจริงอ่ะบวชเล่นๆคุณไลโคพีนครับบอกว่าพระอาจารย์อดอาหารสามวัน เคยนอนกลางวันไหมครับอาจารย์นอนกลางวันหลับไหมครับถ้าอดอาหารนะครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าอดอาหารแนละ้วมันไม่มันไม่ค่อยนอนมันไม่ง่วงแต่ถ้าไม่อดเนี่ยพอฉันเสร็จกลับมาก็วันนี้ก็หลับนอนก่อนเลยคุณขวัญครับเวลามีคนพูดไม่ดีพูดส่อเสียดพูดกระแทกพูดแขวะคนรทาอย่างไรจึงจะไม่โกอดเขาครับก็ ค, คิดว่าเขาเป็นเหมือนลมพัดเสียงลมพัดไป คือเขาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราห้ามไม่ได้ลมมันจะพัดฟ้ามันจะร้องนี่เราห้ามมันได้ปะเราก็ไม่โกรธใช่ไหมฟ้าร้องเปี้ยงเปี้ยงดังกล็ล้วก็เฉยเฉยได้เราก็เรามองว่าเสียงคนก็เหมือนกับเสียงฟ้าร้องเสียงล ม, มพัดเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอย่างไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ทําใจยอมรับกับเสียงของเขาไปทั้งนั้นเองก็จบ มันก็จะไม่โกรธที่โกรธเพราะ่าเราอยากให้เขาพูดดีกับเราพอเขาพูดไม่พูดไม่ดีกับเราเราก็เลยโกรธเขาอย่าไปอยากอยาก่อยางนั้นจะทําให้เราโกรธถ้าเราไม่อยากแล้วเขาจะพูดเราแล้วก็ไม่เดือดร้อนคุณรัตนาวันีครับโยมได้ไปนั่งกับกรรมาฐานประมาณครึ่งเดือนสิ่งที่ปรากฏชัดคือความคิดหายไปเหมือนข้อมูลถูกลบ กับฐานในกรอบนี่คือผลจากอะไรครับผลจากสติไงผลจากสติถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดได้คุณปาคพงครับนั่งสมาธิทําอาณาปานาสติในวันที่ทําสมาธิก็ใช้ชีวิตมีสติดีแต่พอหยุดทําไปสามวันรู้สึกว่าตามไม่ทันโทสะ มันเห็นตัวที่โกรธแต่มันไม่หยุดมันเข้าไปเล่นกับมันพอรู้ตัวอีกทีว่าสิ่งที่ทำไม่ดีก็ทำไปจนจบแล้วจะทำอย่างไรครับถ้าไม่ได้นั่งสมาธิแต่อยากให้ทันโทสะหรือว่าวิธีที่ถูกคือต้องทำไปเรื่อยๆครับใช่ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆเหมือนกับรถอ่ะถ้าไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดนะถ้าอยากให้หยุดรถได้ก็ต้องคอยมีเบรกไว้ถ้าเบรกเสียก็ต้องเรียบเข้าอู่ใช่ไห ถ้าววรว่ า, าเดืยบแบรกไม่ได้รถไม่หยุดนี่เราจะกล้าขับไปตบนท้องถนนไหมเราก็ต้องเข้าไปให้ช่างวัดติดติดแบรกให้กับเราถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีเบรกที่จะหยุดโลภะโทสะโมหะได้คุณจุ๊บครับคนใบ้หวยให้ประชาชนงมงายบาปไหมครับผิดศีลไหมครับถ้าเขามีเจตนาที่จะหลอกลวงก็ผิดศีล โกหกหลอกลวงแต่ถ้าเขาไม่ได้ใบ้าหัวยแต่คนไปไปเอาคําพูดของเขาว่าเป็นการใบ้าหวย น, นี่เขาก็ไม่ผิดเช่นวันนี้บอกบรรดาบ่ากี่คนเนี่ยไป ต, ตัวแรกไปแล้วอย่างนี้อันนี้ไม่ได้บ้าหัวยนะ พ, พูดครับพูดความจริงแต่คนชอาเอาคําจริงที่พูดเนี่ยมามาตีเป็นเป็นเป็นหวยไปเอ้โหวันนี้ต้องบ อ, อก95เนี่ยนะวันนี้ค4 9บมันก็ต้องมีคนถูกบ้างนะครับอาจารย์ <c oughs> ตกเกี้ยนซส่วนใหญ่คุณวีละวันครับเวลามีทุกข์จะใช้วิธีคิดว่าทุกทุกชีวิตเกิดมาเพื่อใช้กรรมและสร้างสมบุญอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้นะครับวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ความทุกข์มันดับไปคุณขวัญครับ คนอื่นๆมักจะชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังรู้สึกว่าไม่อยากฟังบางทีก็เก็บเอาเรื่องคนอื่นมาทุกด้วยซ้ําหนูควรทาอย่างไรที่จะบอกคนที่เอาเรื่องต่างๆมาเล่าหรือแก้ไขที่ตัวเองดีครับขอพระอาจารย์แนะนําครับเมื่อขอตัวไปเวลาใครเข้ามาพูดอะไรตอนนี้เดี๋ยวขอเข้าห้องน้ําก่อนเนื้อยากตัวไปเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำให้เขารู้สึกเสียเสียใจหรือถ้าเขาเตยอยู่ก็เลยก็บอกว่า ไม่อยากจะฟังเลยขอไปนะไม่อยากจะฟังเรื่องราวต่างๆฟังแล้วปวดหัวก็บอกเข้าไปตรงๆคุณจันทวันโนครับนักปฏิบัติธรรมรีบร้อนอยากได้รับผลเร็วๆ เ, เป็นความปกติของใจไหมครับได้ฟังเทพฟ้าจารย์ว่าการปลูกทุเรียนก็ต้องรอตามแต่ธรรมชาติของเขาจะออกผลให้ตอนไหนเราคนปลูกก็ทําหน้าที่คือดูแลไปมักผลนิพพานเป็นเช่นกันไหมครับขอพระอาจารย์ไม่พาครับ ใช่เพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบางคนก็เจ็วันบางคนก็เจ็เดือนบางคนก็เจ็ดปีความสามารถที่จะบรรลุมรรคผลในผ่านนี้มันไม่เท่าไม่เท่ากันความเพียงไม่เท่ากันมันก็เลยสติปัญญาความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันมันก็ต้องใช้เวลาอย่างตอนที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้สแสดงให้ใ ห, ให้กับพระปัญจวัตรที่ห้ารูปก็มีเพียงรูปเดียวบรรลุเป็นพระสาวนาบรรอีกสี่รูปยังไม่บรรลุ แต่ต่อมาพอพระเจ้าแสดงธรรมเปครั้งสองครั้งแสดงถึงก็นาตาก็มันรูปเป็นผ้าหลานห้ารูปพร้อมๆกันขึ้นมาเลยคุณไลโคพีนถามบอกว่ายิ่งลงมือปฏิบัติไปมากๆคําถามจะน้อยลงไหมครับน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมันความเข้าใจมันจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆทำมันจะได้คําตอบมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณมีนาครับ เพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าคนที่โพสต์ธรรมะมักเป็นคนประหลาดซึ่งเราก็เพิ่งส่งธรรมะเรื่องบุญคุณของพ่อแม่เข้าไปในกลุ่มเพื่อนๆแบบนี้เราควรแชร์หรือโพสต์ธรรมะต่อไปไหมครับบางครั้งแค่อยากให้ธรรมะช่วยเตือนสติคนบ้างเพื่อนคนที่พูดว่าเราเขาชอบต่อว่าคุณพ่อของเขาด้วยครับคือเราก็อย่าไปส่งไปให้คนที่เขาไม่ต้องการแล้วกันคนที่เขาส่งไปแล้วก็สาธุกลับมาก็แสดงว่าเขายินดีไม่งั้นเราก็ต้องปิดโพสต์ของเราไปหมดเลย ก็มาเผยแผ่ไม่ได้เพราะการเป็นคนประหลาดไปตามที่เขาพูดคุณนักธรรมวัดครับอ่านหนังสือแล้วเพิ่งรู้ว่าผู้แปลละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เขียนเราไปอ่านแบบนี้เราผิดศีลข้อ2องไหมครับเพราะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับเราเร า, เราไม่เราไม่เกี่ยวคนที่เขาไปทําละเมิดนั้เป็นคนที่เข้าไปคนแปลไปเข้ามาเอยแผ่เนี่เราอ่านมันเราไม่ผิดศีลไดอย่างไง คุณฐานิตครับความสงบพบครูบาอาจารย์แล้วจิตจะหายฟุง้งสุดท้ายต้องยอมรับสภาพเพราะตายก็ไม่ตายจะให้เป็นอย่างเก่าก็ยังทำไม่ได้นอกจากฝึกจิตให้สงบจากเหตุความจริงของเราครับออนั่นแหละวิธีแก้ปัญหาความทำใจก็คือทำใจให้สงบทันั้นเองคุณมาลียรัตครับโย รู้แจ้งเจ้าขาพระอาจารย์ทุกครั้งที่จบสิ่งของที่จะทำบุญทุกโยงเกิดสุขเกษมขออยากจะเก็บความรู้สึกนั้นให้ติดอยู่กับจิตกับใจไว้ตลอดไปเมตตาแนะนำให้เข้าใจสุขนี้ก่ใยททำ<อ>บ่อยๆทาทุกวันมันก็จะมันก็จะเก็บไม่ได้ทุกวันแล้วมันจะสะสมอยู่ในใจของเราต่อไปคุณเกวารินครับ ตอนนี้ปฏิบัติจนพบตัวรู้คือตอนนี้ดูจิตคิดไหลแล้วรู้ต้องปฏิบัติยังไงต่อครับท่านตออไปก็สอนจิตให้ให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรับรูอ้อย่าไปโลภอย่าไปรักอย่าไปชงังอย่าไปโกรธปล่อยวางให้เขาอยู่ของเข้าไปตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ คุณสิริครับเคยได้ยินคําว่า ม, ามโนสังขารมโนวิญญาณขอความกระจางครับมโนก็แปลว่าใจเพราะว่าคําว่าสังขารนี้บางทีเราเราใช้กับทั้งร่างกายแล้วก็ความคิดปรุงแต่งก็เป็นมโนสังขารความคิดปรุงแต่งของใจก็เป็นมโนสังขารความสังขารอีกส่วนนึ่งก็คือสังขารที่ทํามาจากธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟก็คือร่างกาย บานทีก yeah. ็เลยต้องแยกแยะว่าเป็นดันไหนกันพูดถึงด้านไหนส่วนวิญญาณนี่มันมันไม่มันไม่มีมันไม่มีมันเป็นมโนอยู่แล้วมันเป็นตัวใจก็คือตัววิญญาณคุณโสพลครับคนเราเกิดมาสร้างกรรมส่วนสัตว์เดรัจฉานเขาเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมแต่ถ้าเขาฆ่าหรือกินสัตว์อื่นเพื่อดำรงชีวิตเขาถือว่าสร้างกรรมต่อหรือเปล่าครับ ก็รสร้างต่อไปเลที่บอกว่าจะผลจากสัตว์ยากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ยากนอกจากไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ไม่ฆ่าเ่ย <c oughs> เป็นวัวเป็นควายนี่ยหรือไปเกิดเป็นหมูเป็นเป็นหมาเป็นแมวมีคนเน้นดูการลดการฆ่าลงไปครับคุณเลมอนครับ ตัวอย่างของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตประจําวันเช่นอะไรบ้างครับลมหายใจมันก็เข้าออกเข้าออกมันก็เป็นการเกิดดับของลมหายใจลมเข้าก็เกิดลมออกก็ดับก็ว่าตาเรากับพิบทีก็มันก็มันก็ดับทีนะเริ่มตาทีมันก็เกิดแล้วแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่สําคัญอให้เราดูในสิ่งที่เราเราเราทุก เวลาที่มันเกิดมันเวลาที่มันดับแล้วมันเราทุกข์นั่นแหลที่เป็นตัวสําคัญกว่าเช่นเวลาเงินหมดเนี่ยทุกข์ไหมให้รู้ว่าเงินเท่ามันก็เป็นของไม่แ น, น, น่นอนนะมีดับได้เลยยศตําแหน่งที่เราได้ถูกถูกโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งนี่ให้คิดในเรื่องที่มันทําให้เราเสะเทือนใจดีกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเราอย่าไปยึดอย่าไปติด นราจะไม่ทุกข์คุณนิกนะครับถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดความง่วงทำอย่างไรดีครับวันลุกขึ้นมาเดินสมาธิแทนคุณวังงานบวชจ้างด น, นตรีขับร้องเต้นรำดื่มเหล้าข้าหมูเลี้ยงคนคนบวชจะได้บุญหรือ บ, บ, า, บาปครับ มันอยู่ที่ใครเป็นคนคนคนจัดถ้าคนบวชไม่ได้จัดคนบวชเขาก็ไม่ไม่ได้บาปแต่คนที่จัดที่มีการเอาไปสั่นให้เขาข้าหมูมาเลี้ยงนี่ก็จะบาปแต่ถ้าไปซื้อหมูที่ตายแล้วอยู่ในร้านมังก็ไม่บาปอยู่ดีแต่าการเอาสุลามามาเลี้ยงนี่คนจัดก็ยังไม่บาปเพราะคนจัดเพียงแต่เป็นคนจัดหามาให้คนที่มาเดิมนะ่ะถึงจะบาป คนนี้มันดื่มสุลาเพราะมันผิดศีลมันอยู่ที่การกระทำมันไม่ได้อยู่ที่ใครจัดหรือไม่จัดแต่ก็ไม่ควรจัดในสิ่งที่จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการกระทําที่ทําให้ผิดศีลขึ้นมาคุณไลโคพีนครับถ้าสมมติว่าอดอาหารสามวันแล้วนอนกลางวันได้แปลว่าการอดอาหารมันใช้กับเราไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวหรอกมันก็อดอาหารได้มันก็ มันก็ทําให้เรามีสติดีขึ้นเพราะมันไม่ง่วงเหงาเฮานอนแล้วบางทีถ้าอยากอยากอยากจะพัก น, นอนก็นอนได้วันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยคุณแพทครับการที่เรารู้ว่าร่างกายทําอะไรอยู่แต่กลับมีความคิดอื่นหรือภาพต่างๆผุดเข้ามาอย่างนี้ถือว่าทํากายยะขตาสติไม่สําเร็จใช่ไหมครับก็ตามใจถ้าเรายังอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ก็ยังก็ยังก็ถือว่ายังทําอยู่ แต่ถ้าเราไปเผลอคิดตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาตอนนั้นแสดงว่าเราขาดสติแล้วก็ต้องพยายามอยู่กับร่างกายไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปตามรู้ในสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เราตามรู้ร่างกายเพียงอย่างเดียวต่อไปคุณศิดาพัทครับนั่งสมาธิกับพระกรรมฐานตอนนั่งสงบดีครับแต่พอกลับมาบ้าน มีอาการหลอนถึงความพัดภาคจากสามีมีอาเจียนเหงื่อแตกหนาวกลัววนแบบนี้เป็นเวลาสิบวันใช้วิธีเดินจงกรมพุทโธ ท, ทั้งในใจและเปล่งเสียงอาการแบบนี้เรียกว่าจิตสแสดงใช่ไหมครับจากสาเหตุใดทางแก้ถูกหรือไม่ครับก็คือการขาดสติเนะี่ยปล่อยให้จิตมุงแต่งขึ้นมามันก็เลยเกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาถ้าเราใช้สตินึงกับให้หยุดมันอาการเหล่านี้ก็จะหายไป คุณเอกชัยครับล่าสังโยศ์เบื้องต่ำสามข้อคือคุณสมบัติของโสมดาบันใช่ไหมครับใช่คุณเนโ ก, กะครับลูกชายเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทที่คอทำให้แขนขาอ่อนแรงคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดถ้าเรานำรูปไปรักษาด้วยการผ่าตัดตามที่หมอแนะนำแต่ถ้าอาการลูกหลังพามาแล้วแย่ลงหรือต้องติดเตียงอันนี้จะเป็นบาปแก่ตัวเราไหมครับ ไม่บบเดียเพราะเจตนาเราต้องการที่จะช่วยเขาช่วยรักษาเขาคุณการินครับบอกว่าเคยเห็นพระเนเนหิ้วกาแฟเย็นชานมไข่มุกสี่ห้าแก้วเดินเข้าวัดในเวลาบ่ายคิดอยู่ว่าพระผู้ใหญ่จะทราบและแนะ น, นำเรื่องน้ำปานะหรือไม่เห็นแล้วไม่สบายใจเลยครับก็เป็นเรื่องของเขาไปแล้วรู้แล้ ว, ลวเคครววาไม่เฉยๆไปก็แล้วมันไม่เกี่ยวกับเรา คุณจันทวันโนครับพอปฏิบัติทำแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวคนรอบข้างก็เหมือนคุยคนละเรื่องคุยด้วยแล้วไม่สดชื่นไม่เป็นสุขในบางครั้งก็ว่าอุเบกขาได้บ้างเราโอกาสไปบวชแต่ยังไม่มีภ า, าระเรื่องลูกเรียนน้อมกราบขอพระอาจารย์ไม่ตาเลยครับก็ทาเท่าที่เราทํได้ไปก่อนแล้วกันแล้วถาว่างเมื่อไหร่เราก็ไปไปบวชหรือไปทาอะไรไปปฏิบัติธรรม อาจจะบวชแบบชั่วคราวคือไปถือศีลแปดก็ได้ไม่ต้องไปบวชเป็นพระเลยก็ได้จนกว่าภาระหน้าที่ของเราหมดลงหรือมีคนมีคนมารับภาระหน้าที่แทนเราได้แล้วก็ไปบวชต่อแล้วก็ไปบวชได้คุณออนนี่ครับ หากนำความรู้ที่ได้จากการฟังธรรมมาท่องจําไม่ขึ้นใจก่อนเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองแบบนี้จะทําได้ไหมครับเพราะยังทําปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้ครับเพราะเราก็ต้องมาท่องจําไว้ก่อนเราจะได้ไม่ลืมแล้วเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเราต้องมาล่าความอยากไม่ใช่ไปไปแก้เรื่องอื่นไปแก้ที่อื่นที่ที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากไม่ใช่คนนั้นคนนี้ที่ทําให้เราทุกข์ ก็เป็นเพียงผู้ที่จุดชนวนออกระตุ้นความอยากของเราให้เกิดขึ้นมาเท่านั้นเ อ, อ, องเรามาแกท้ที่ความอยากของเราด้วยการใช้สติใช้สมาธิคุณการิงครับลอตตะรี้งวดที่ผ่านมาดูข่าวทางทีวีมีท่านเจ้าอาวาสถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านเกรงว่าจะกลายเป็นแรงจูงใจพระเนนเอาอย่างในการเสี่ยงโชคครับ ตัวอย่างที่ดีมีเยอะไม่ไม่ไปดูดูพาะที่เขาไม่แทงหวยพราที่เขาทำคุณประโยชน์มีการมีเท่าเท่าไรท่านก็สละทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมไปแต่ถ้าอยากจะไปไปทางโลกไปทางกิเลสก็ช่วยไม่ได้คุณการครับในกรณีที่เรายกสมบัติให้คนอื่นนำไปทำบุญให้หลังที่เราตายแล้วเป็นความตั้งใจของเรา แค่ให้คนอื่นทําแทนเราได้บุญไหมครับเหมือนกับการบริจาร่างกายที่พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้บุญเพราะเราตายแล้วครับใช่ไม่ได้บุญถ้าเราจะทํำก็ทําตอนที่เรายัางไม่ตายสิเก็บไว้ทําไมล่ะเราจะได้รู้ว่าเราได้ทําหรือไม่ได้ทำนะเพราเราตายแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้ทําหรือเปล่าก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำเข้าใจนะครับอาจารย์เหมือนเหมือนตอนที่ทํามันขาดไปจากตัวเราใช่ไหมครับเรารู้สึกอ่าใช่มันจากเราไปแล้วมันไม่เป็นของเราแล้ว ครับคุณอำพรครับทําบุญใส่บาตรแล้วไปทํางานไม่เคยกวดน้ําอย่างนี้ได้บุญไหมครับอรัได้บุญงานทําบุญใส่บาตรนี่ได้บุญการกวดน้ํำนี่เป็นการแบ่งบุญให้คนตายที่ลงรับไปแล้วคนที่ลงรับไปแล้วให้เขาได้ได้บุญจากบุญที่เราทําด้วยการกวดน้ํานี่เป็นการแบ่งบุญเขาได้บุทิ้งบุญ คุณองุงหุนเปรี้ยวครับนั่งสมาธิและพิจารณาจะเดินปัญญาไปด้วยเลยได้ไหมครับพอเราแยากทํากันเราไม่ทําทั้งสองอย่างเพราะการ น, นั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดส่วนการพิจารณาปัญญาต้องใช้ความคิดยิ่งทำไปพร้อมๆกันไม่ได้คุณพารมาพรอยครับคนท้องคนฝึกสติอย่างไรครับก็เหมือนกับคนไม่ท้องอ่พราะมันไม่เกี่ยวกับร่างกายมันเรื่องของจิตนะ จตมันไม่ได้ท้องไปกับร่างกายก็ต้องฝึกพุโทโธพุโทโธเหมือนกันเหมือนเดิมถ้าผู้ใช้พุโทโธกับพุโทโธไปถ้าจะท้องมันไม่ท้องกับพุโทโธได้คุณสัตวัตครับขอความเมตตาครับนั่งสมาธิจนความคิดฟุ้งซ่านมันหายไปเหลือแต่ความสงัดสงบผมก็นั่งมองความสงบสงัดนั้นไปเรื่อยๆทําแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ครับหรือผมทําผิดตรงไหนหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาด้วยครับ ถ้ามันสง บ, บสงัดในความสงบก็ถูกวนะพยายามรักษาความสง บ, บสงัดให้มันอยู่และไปนานๆเขาถามมาขั้นต่อไปก็คือรักษาต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ก็นั่งให้บ่อยๆขึ้นนั่งให้มากขึ้นจนกระทั่งไม่อยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นทุกครั้งที่มีเวลาว่างก็มาให้กับการนั่งสมาธิแทนคุณปัชชาครับถ้าไม่มีความรู้ธรรมะเลยจะเริ่มปฏิบัติ เริ่มโดยปฏิบัติทำเลยหรือควรศึกษาทำเบื้องต้นมาก่อนดีกว่ากันครับถ้าไม่รู้เราจะไปปฏิบัติได้ยังไงอะเราจะทำอะไรเราก็ต้องไปเรียนก่อนจะทำกับข้าวเราไม่รู้วิธีทำกับข้าวล้วก็ทำเลยมันก็เคยอยู่เมืองนอกคนมีฝรั่งคนหนึงใหญกจะทำข้าวผัดเขาก็ไปซื้อข้าวสารมาผัดเลยเขาไม่ต้องไม่เขาไม่หุงข้าวก่อนแล้วไว้ทําไมทำแล้วมันออกมาไม่เหมือนกับข้าวผัดที่ไปกินที่ร้าน เพราะยูไม่หุงข้าวก่อนเน่ยข้าวต้องหุงให้มันสุกก่อนแล้วข้าวมาผัดนี่อยู่เอาข้าวสารมาผัดเลยครับมันต้องเรียนก่อนวิธีปฏิบัติธรมว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไราลราถึงค่อยไปปฏิบัติครับคุณนิกแนกครับหนูตั้งใจตื่นตีห้าทุกวันเพื่อมาฝึกสตินั่งสมาธิภาวนาแต่ต้องเจอกับความง่วงขณะนั่งจะแก้ยังไงครับ ก็นอนให้มันมากนอนแต่หัวค่ำเลยนอนให้มันมากหน่อยแล้วตื่นเช้าขึ้นมามันจะได้ไม่ง่วงถ้านอนเด็กแล้วมาตื่นเช้ามันก็ง่วงเพราะว่ามันนอนไม่พออยู่แล้วคุณอภิภกรครับ เคยเห็นพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมบางคนปฏิบัติไปแล้วเพี้ยนจนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษามันทําให้รู้สึกกลัวการปฏิบัติขั้นที่ลึกเข้าไปอีกอยากกลับเรียนถามอาจารย์ว่าต้องวางใจอย่างไรเวลาปฏิบัติจึงจังพอดีไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่ควรเป็นและควรสังเกตยอย่างไรว่าเราปฏิบัติมาอย่างถูกต้องแล้วครับก็ต้องเรียนก่อนศึกษาก่อนศึกษาจากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนศึกษาแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติก็จะไม่มีปัญหาเลยตามมา ถ้าปฏิบัติแล้ไม่เข้าใจตรงไหนก็กลับไปถามไปฟังเทศทังธรรมอยู่เรื่อยๆคุณไลโคพีนครับทําไมความเชื่อเช่นเชื่อว่าเราจะทําได้แน่นอนถึงมีพลังมากครับมันก็เมื่อเรามีความเชื่อเราก็ไม่ลังเลสงสัยแล้วไม่โลเลแล้วก็ทุ่มเทถ้าเราถ้าเราไม่มั่นใจไม่เชื่อแล้วก็ไม่ก็ไม่การทุ่มเท น, นั้นเอง อไม่ทุ่มเทมันก็ไม่มีพลังถ้าเราทุ่มเทมันก็มีพลังขึ้นมาคุณเพียงพิษครับการที่เราตักบาตรเช้าแค่เอ่ยในใจว่าขอให้ส่วนบุญนี้ถึงผู้ที่ล่วมรับทั้งหลายโดยไม่ได้กรวดน้ำบุญถึงผู้ล่วมรับหรือเปล่าครับเราได้กรวดไปแล้วแต่ผู้ร่วมรับจะรับหรือไม่รับอยู่ที่ว่าเขารอรับอยู่หรือไม่บางคนเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเขาก็ไม่รับบางคนไปเป็นเทวดาเป็นเศรษฐีบุญนะเขาก็ไม่มารอรับส่วนบุญ พวกที่จมาเ ร, รัลส่วนบุญต้องเป็นพวกขอทานทางจิตเวิญญาณพวกนี้เราเรียกว่าเปรตคุณอมุญยาครับสมัยเด็กเคยทำร้ายาสัตว์ต่างๆา ก, กบหาปลาตีหัวปลาหักขาตะเกตักตนขาปูหามากินเป็นอาหารได้รับผลกรรมจากการกระทาแต่ก็ทำบุญขออโหสิกรรมจากาสัตว์ต่างๆมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับอยากรู้ว่าเราจะได้รับอโหสิกรรมไหมครับคือ การอาโหสิกรรมนี่เป็นเรื่องของผู้ที่เขาเสียหายเดือดร้อนก็อยู่ที่ใจเขาว่าเขาเป็นใจที่มีความเมตตาหรือไม่แตเ่เขาไม่มีความเมตตาเขาว่าจองเวรจองกรรมเราไปถ้าก็มีความเมตตาเขาก็จะให้อภัยเราได้แต่วิบากกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้มันไม่หมดไปจากการอโหสิกรรมมันมันเป็นอีกเรื่อกหนึ่งอันนี้ทำกรรมไดว่าก็ต้องไปรับผลของกรรมที่เราทําต่อไป คุณดวงพรหมบางครั้งก็พร้อมตายบางครั้งก็ยังไม่อยากตายในขณะที่เรามีความสุขเราต้องคิดอย่างไรดีขอคําแนะนําครับต้องคิดบ่อยๆว่าเราต้องตายแน่ๆพองเจ้าสอนให้เราเราียถึงความตายทุบลมหายใจเข้าอคุณตายครับไม่เคยเริ่มปฏิบัติจะเริ่มอย่างไรดีครับก็เ น, นี่ยเรา ม, มาฟังเทศฟังธรรมกันก่อนแล้วมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติซึ่งสํารับได้ง่ายๆว่า ปฏิบัติการนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบใจจะสงบจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติก็ต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยพยายามท่องพุโทโธให้มากๆแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธต่อไปเท่านั้นเองการปฏิบัติสมาธิไม่มีเรื่องอยากแต่อย่างใด คุณอรารยาครับการอดอาหารหลังเที่ยงวันแต่เราดื่มน้ำปั่นผิดศีลไหมครับคือน้ำปั่นนี่มันยังมีตัวผลไม้อยู่ใช่ไหมมีเนื้อของผลไม้มาปั่นให้มันแหลกละเอียดไปเลยความที่ึงถ้านอนุญา น, น้ำเขาเรียกว่าน้ำน้ำคั้นน้ำผลไม้คั้นแต่เวลาเวลาคั้นน้ำผลไม้ก็ต้องมีผ้ากรเพื่อไม่ให้มีเนื้อติด กำน้ำให้แยกเนื้อออกจากน้ำให้หมดให้ดื่มน้ำผลไม้ได้อสมัยก่อนก็ไม่มีเครื่องปั่นกันเลยไม่รู้ว่าการปั่นนี่มันผิดหรือไม่เพราะมันมันทําใหา้เนื้อนี่กลายเป็นเหมือนกับเป็นของเหลวไปหมดแต่มันก็ไม่เหลวจริงมันก็ยังไม่เป็นน้ํามันก็เป็นแบบเป็นเป็นของเค็มข้นๆอยู่ใช่ไหมก็คิว่าไม่น่าจะฉันได้ต้องตักแต่น้ํเอาน้ําอย่างเดียวไม่ให้มีเนื้อติดมาเพราน้ําเวลา เวลาคันน้ำส้มเนี่ยคั้นส้มก็ต้องเวลาคั้นมันก็จะมีเสศษเนื้อติดอยู่แล้ก็ต้องกรองเสศนเนื้อออกไปใช้ผ้ากรองอีกทีหนึงคุณประชาะครับแมวจ้องจับนกกินตัวเราเข้าไปไล่แมวจะได้บาปเพราะเบียดเบียนแมวและได้บุญเพราะช่วยนกใช่ไหมครับก็จะได้กรรมจาก จ, จ, จะได้ความาา อ, อาฆาตพยาบาทจากจากแมวแล้วก็จะได้ความขอบอกขอบใจจาก จากนกที่มาช่วยชีวิตเขาแมวมันก็อาจจะจองเวรจองกรรมเราต่อไปก็ได้คุณมูทิตาครับการที่นั่งทำสมาธิแล้วปวดขามากเราเพ่งกำหนดไปที่ลมหายใจจนหายปวดได้หรือเราควรเพ่งมองดูตรงที่ปวดขาครับเพราะถ้าปวดรุนแรงมากเช่นกับกระดูกสันหลังเสื่อมจะได้กาหนดรู้ที่ลมหายใจหรือรู้ดูตรงที่ปวดครับ ก็อยู่ที่ว่าเรากำลังของเรามีมากหรน้อยถ้ามีกำลังน้อยอย่าไปดูที่เจ็บเพราะดูแล้วมันจะสู้ความอยากให้หายเจ็บไม่ได้ความอยากหายเจ็บมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าถ้าเราสามารถดูความเจ็บโดยที่ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเฉยเฉยก็ดูมันไปก็ได้แต่ดูแล้วอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันที คุณองุงหุนเปรี้ยวครับเคยโกรธและไม่พอใจพฤติกรรมของเพื่อนมากแต่พอเวลาผ่านไปได้พิจารณาว่าเขาเป็นคนร ะ, ะดับกับเราไม่รู้เรื่องอะไรความโกรธจึงค่อยลดลงและพิจารณาจนหายไปอันนี้ถือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปหรือเปล่าครับอะไรจนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปชุกใช่ไหมชุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเรามีปัญญาพิจารณาปล่อยวางความอยากของเรา เวลาความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปคุณพี่น้องครับคนที่ทําบุญด้วยความเคารพแต่ปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะเอาเปรียบผู้กู้มองเงินเป็นเพียงสินค้าที่เอามาขายค้าขายได้กําไรคือดอกเบีย้ยแบบนี้จะเป็นอาชีพบาปไหมครับไม่บาปหรอกเห็นไหมเงินทองก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างธนาคารเขาก็ใช้เงินทองนี้เป็นสินค้าที่เขาขายเขาซื้อเขาซื้อจากคนฝากมาแล้วเขาก็มาปล่อยกู้ ปล่อยให้คนที่เข้ามาคู่ก็เหมือนกับเป็นการขายไปแล้วเขาคิดดอกเบี้ยเราะก็มีค่าใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายมีต้องจ่ายค่าเงินเดือนอะไรต่างๆค่าน้ําค่าไฟแล้วเขาก็ต้องมีกําไรจากการค้าขายงั้นเขาก็ค้าถ้าค้าขายแล้วขาดถุนเขาก็ไม่ค้าขายใช่ไหมถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ผิดไม่มีผิดตรงไหนก็เหมือนกับขายผักขายอะไรไปขายสินค้าต่างๆไปเหมือนกัน คุณธัญพนครับในแต่ละวันมีสิ่งต่างๆมากระทบใจอยู่ตลอดเวลาทําอย่างไรใจเราจึงจะสงบไม่แก่งไปตามสิ่งนั้นครับตอนนี้พยายามอยู่กับตัวเองไม่ยุ่กับคนอื่นมากครับพยายามฝึกสติไปเรื่อยพยายามนินท่าพุโทโธพุโทโธไปภายในใจด้วยพยายามจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการกระทําต่างๆของร่างกายของเราไปแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะไม่ค่อยวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบ คุณนกครับเห็นกายเห็นใจไม่ใช่สิ่งเดียวกันแยกกันเห็นผู้ดูผู้ดูนี้คือตัวรู้หรือธาตุรู้ใช่ไหมครับและควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ปจุบัติให้รียว่าเราไม่ผู้รู้กับผู้ที่เสืรู้ไม่เป็นคนละคนกันผู้ที่ถูกรู้นี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมไม่เับไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะต้องเปลี่ยนไปเกิดดับไปตามธรรมชาติของเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุก ที่เราทุกขพรเราอยากจะไปยุ่งกับเขาอยากจะไปจัดการเขาอยากจะให้เขาไม่ดับเป็นต้นแล้วเราก็เลยทุกข์ให้กเฉยๆไปรู้ว่าเขาจะต้องเกิดต้องดับเป็นธรรมดาคุณศิดาพัทครับสอนคุณแม่ทําสมาธิลูกเป็นคนสอนผิดไหมครับคุณแม่ทําตามรู้สึกอิ่มใจครับถ้าคุณแม่ยินดีก็ไม่ผิดหรอก คุณสุภาครับคำโบราณว่ามีลูกชายให้บวชให้พ่อแม่เวลาตายไปพ่อแม่จะได้เกาะผ้าเหลืองลูกแล้วจะหมดทุกข์แต่ถ้าลูกยังเรียนอยู่ไม่ได้บวชเราจะพ้นทุกข์หรือเปล่าครับมันเป็นความเชื่อเฉยๆเนอเพราะว่าการบวชจริงๆนี่มันเกาะเกาะผ้าเหลืองไม่ได้คําว่าเกาะผ้าเหลืองก็คือต้องไปปฏิบัติตามลูกเพราะเวลาลูกบวชลูกก็ต้องอยู่ที่วัดเมื่ออยู่ที่วัดพ่อแม่ก็คิดถึงลูกก็ต้องไปเยี่ยมพระที่วัด ก็ต้องไปทําบุญทำทานบางที่ที่วัดเขามีการแสดงธรรมก็ต้องฟังธรรมไปด้วย mm. ก็จะได้เรียนรู้เหมือนกับพระเหมือนกันได้บวชตามรูปไปแต่ถ้าลูกบวชแล้วก็ไม่ได้ไปไปไ ป, ไปเข้าวัดโดยปล่อยให้ลูกบวชไปต่างคนก็ต่างอยู่ไปอย่างนี้เกาไม่ได้ไปดับความทุกข์ต่างๆไม่ได้การบวชนี่เป็นอุ บ, บายหนึ่งพ่อแม่ให้เข้าวัดต่างเนื่ออะเข้าใจไหมครับพอเข้าวัดก็ต้องไปทําบุญเนี่ยไม่ใช่ไปเฉยๆ ไปก็ต้องไปไปทํากิจกรรมร่วมกับพระตอนเช้าที่ศาลาเขก็จะมีการทําบุญใส่บาตรเห็นแล้วถ้าเป็นวันพระก็มีการสมาทานสิงมีการแสดงธรรมอันนี้ก็จะได้เริ่มศึกษาได้ปฏิบัติและพอปฏิบัติแล้วถ้าเกิดเห็นผลดีก็ออดีนะทำบุญน่าสบายใจรักษาสิงน่าสบายใจทางเทศทางธรรมน่าใจสงบดีก็อาจจะชอบก็อาจจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละที่จะทําทให้พ่อแม่ไปสวรค์ ไม่ใช่ไปเพราะว่าลูกบวชอย่างเดียวนั่นเองคุณนิกนะครับการขอความเมตตาถ้าเราต้องการอุทิศบุญให้กับญาติที่ร่วมรับไปแล้วให้ได้บุญนั้นเราจําเป็นต้องกล่าวชื่อเขาเสมอไหมหรือแค่ระลึกถึงใบหน้าเขาตอนต้องทําวิธีไหนกุศลจึงกระทึงมือเขาครับถ้าจําชื่อได้ก็บ่อยเอ่ยชื่อไปถ้าจําไม่ได้ก็นึกถึงหน้าเขาก็ได้คอยดูว่เป็นใครก็แล้วกัน นั่นก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือเปล่าด้วยถ้าเขาไม่รอรับก็มันก็ไปไม่ถึงเขาอยู่ดีเพราะบางทีเขาอาจจะไปอยู่ในภพที่เขามารับไม่ได้ก็มีครับคุณนัชนีครับเวลาสวดมนต์แล้วจะขอ พ, อพรภาวนาให้กับผู้มีพระคุณแต่เราอายุน้อยกว่าจะได้ไหมครับคือพรนี้มันขอไม่ได้หนระับพรมันต้องทําของใครของมัน ขอพรอไปก็เป็นการขอแบบลมเปล่าท่านอีอพร น, นี้ต้องเกิดจากการกระทําของผู้ผู้กระทําเองคุณแก้วครับทุกทุกวันพระถ้าเราจะถือสัลจากินข้าวมื้อเดียวก่อนเที่ยงและหลังเที่ยงกินแต่น้ำทำได้ไหมครับได้ไม่มีใครห้าม คุณกรินครับน้องสาวอยู่ต่างประเทศมักกังวลใจว่าไม่ได้ทําบุญกับพระกับวัดเมืองที่อยู่ไม่มีวัดเคยแนะน้องว่าในหลักบุญกิริยาสิบแต่เขาก็ยังวนเวียนกังวลเกาะกลับกับความแนะนําครับตัวสมัยนี้สามารถทําบุญด้วยการโ อ, อนเงินเข้าบัญชีของวัดก็ได้อยู่เมืองนอกเขาก็โ อ, อนเงินเข้าบัญชีของวัดต่างๆที่วัดยานี้ก็มีชาวต่างคนที่อยู่ต่างประเทศก็โ อ, อนเงินทําบุญเข้ามาในบัญชีของวัดก็ได้ คุณมณฑาทิพย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์เพื่อนเป็นทุกข์มากเพราะลูกติดการพนันต้องตามใช้นี่ให้ควรแนะนําเพื่อนอย่างไรดีครับก็เพื่อนก็ต้องพูดกับลูกให้ลูกเข้าใจว่าต้องหยุดต่อไป น, นี้ถ้าเป็นนี่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้นี่ให้ต้องมีการเด็ดขาดมีมาตรการให้เขารู้คุณฟิลนาครับมัด ทุกสมุดไทยนิโรธเห็นในกลุ่มลายพระอาจารย์บอกว่าไม่ได้อยู่ในหนังสือมันอยู่ในใจของพวกเราต้องมีสติมากถึงจะเห็นการทำงานในใจเราใช่ไหมครับใช่คุณสตาร์ไลท์ครับอยากเป็นโสดดาบันวๆต้องทำยังไงครับขอวิธีเล่งรัดครับก็นั่งแบบนั่งทั้งนั่งสักแปชั่วโมงอยู่ให้มันเจ็บแล้วก็ไม่ไม่ลุก สามารถปล่อยวางความเจ็บให้ได้แล้วก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวนั่งไปอยู่ที่เปี่ยวที่น่ากลัวที่อาจจะมีภัยอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ยอมปล่อยให้ร่างกายตายไปนี่ก็จะมันรู้ได้ยอมเจ็บยอมตายให้ได้ครัเพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันต้องเจ็บมันต้องตายในวันใดวันหนึ่งก็ให้มันเป็นวันนี้ไปเลยเลยในรู้น้ำรู้นอดไปว่าปล่อยวางได้ไหม หลักสุดเลยนะครับท่านก็มีมีมีมีเรื่องมีพระร่วมหนึ่งท่านก็ไปไปไปนั่งสมาธิในป่าคนเดียวแล้วท่านก็ให้เพื่อนพระด้วยกันมัดตัวท่านไว้ให้แน่นเลยไม่ให้ขยับเลยเราบอกให้ปล่อยทิ้งไว้สามวันแล้วค่อยกลับมาดูท่านอีกทีน่ารักท่านทำการวันทุ่งเร็วเขาได้ข่าวว่าท่านก็ไม่ตายนะแล้วท่านก็รู้สึกว่า แตท่านตายด้วย โ, โยครคภัยไข้เจ็บท่านยังตายไม่ได้ไไม่ได้แก่เท่าแล้วเขาบอกว่ากระดูกของท่านก็เป็นพระธาตุคุณอัมพรครับอยากให้พ่อฟังทำด้วยแต่พ่อชอบให้ปิดมีอุบายวิธีพูดให้พ่อคล้อยตามไหมครับไม่รู้เหมือนกันไม่มอุบายถ้า <laughs> คนก็ไม่ต้องการฟังแล้วก็จบดีกว่ายองนีกว่า ยังหยุดแล้เราจะได้เย็นไปบังคับเ้าทำไมวันใดวันหนึ่งถ้าก็อยากจะฟังเขาขอเขาก็จะขอฟังเองแหะถ้วมัขาเขาไม่ขอฟังก็ปล่อยเขาไปเถอะคุณฟันครับเมื่อคนที่ไม่มีศาสนาฆ่าตัวตายจิตเขาจะไปอยู่ในภูมิใดครับก็ไปนรกครับ่าตัวตายนี่ก็เป็นเหมือนกับการฆ่าฆ่าผู้อาพาฆ่า ค่าสิ่งที่มีพระคุณกับเราร่างกายนี้มีมีมบุญมีคุณกับเรามากที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามาีาร่างกายเป็นเครื่องมือรับใช้เราปตอบถนองความอยากความต้องการของเราต่างๆแต่เราก็ไม่เห็นคุณคุณค่าของร่างกายของเราถึงเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะกําจัดมันขึ้นมาตายไปก็ไปนรกใกล้ๆกับการไปเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแมา่ฆ่าผู้ที่มีพระคุณ แต่ยังไม่ถึ้นขั้นนนฆ้าตัวเราเนี่ยเราต้การลองลำดับลอ ง, ง, งลงมานะยอย่าข้่าตัวตายวันหนึ่งมันไม่ได้แก้ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ความอยากค่ากิเลสให้ค่าความอยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไปคุณสตาร์ไลท์ครับศีลแปดทานข้าวหนึ่งมือ้อแต่ไปทานตอนบ่ายสองทีเดียวได้เลยไหมครับถือว่าผิดไหมครับ พกระเตะเขาก็กำหนดไว้ให้เที่ยงไว้นอีกสองชั่วโมองมันจะต่างกันตรงไหนมันก็ไม่ต่างกันตรงไหนก็ผิดนะแต่แต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำอย่างนั้นก็ได้ไม่มีใครห้ามอะไรมันก็เพียงแต่เช้าไปหน่อยสองชั่วโมองฮนะกลัวจะหิวตอนเย็นเลยมันก็หิวอยู่ดีเลยคุณนิกนทครับขอความเมตตาครับถือฝิ่นแปดนอนห้องแอร์ได้ไหมครับและห้ามเล่นโทรศัพท์ไหมครับ ก็สมัยก่ามันไม่มีเอ่อมือนกัเลยไม่มีโทรศัพท์ก็เลยคิดว่ามันถ้ามีสมัยนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ก็ควรจะห้ามเพราะไม่ต้องการให้เสพสุขทางร่างกายการมีเครื่องงานนี้มันก็เป็นการเสพความสุขทางร่างกายเป็นผดทพะเราต้องการละการเสพ ร, รูปเสียงกินรถผดทพะเสพสุกทางโทรศัพท์มันก็เป็นเครื่องที่เราจะเสพด้วยเสียงเสพเสพด้วยภาพได้ ดูโทรศัพท์ดู้ดูหนังฟังเพลงได้อยู่ดีก็ไม่ขวนที่จะใช้เครื่อง่นี้คุณตะวันครับขอสอบถามเรื่องสมาธิฌานญานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรครับคาว่าฌานนี้ก็คือความสงบสมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่เป็นความสงบเป็นเป็นคพูดแบบกว้า ง, วางความสงบของใจ แต่ฌานนี่จะแบ่งแบ่งขั้นของความสงบเป็นแปดขั้นด้วยกันเรียกว่ารูปฌานสี่แรูปฌานสี่ความสงบนี้มีหลายขั้นไงสงบมากน้อยก็แบ่งเป็นขั้นขั้นไปเราก็เรียกว่าฌานฌานขั้นที่หนึ่งก็สงบมากกว่าั้นฌานขั้นที่สองขั้นที่สองก็สงบน้อยกว่าขั้นที่สามไปเรื่อยๆก็ถึงขั้นที่ขั้นที่แปดก็จะเราถือว่าเป็นขั้นที่สงบมากที่สุดส่วนญาณก็คือความรู้นปัญญา ที่เกิดจากการการเห็นสัจธรรมความจริงเช่นอริยสัจสี่เป็นต้นเห็นใามีญาณมีดวงตาเห็นธรรมคุณมี่ห็นเราปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเวลาไปเจอเพื่อนหรือคุยกับเพื่อนไม่สนุกเหมือนเดิมจนเราเริ่มแปลกใจแล้วสงสัยว่าเราผิดปกติไหมรู้สึกห่างจา ก, พกเพื่อนออกไปเรื่อยเพื่อนที่ชอบเข้าวัดแบบเราก็แทบไม่มี การขอคำแนะนำครับก็เป็นธรรมดาเมื่อเราได้พบสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีมีความสุขมากกว่าเราก็จะเห็นสิ่งที่เราเคยเคยสัมผัสมันไม่ค่อยมีรถมีชาตเหมือนเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาแต่เราก็จะได้พบกับเพื่อนใหม่หมถ้าเราไปวัดบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเราก็จะพบกับคนที่คิดแบบเราที่ปฏิบัติแบบเราชอบแบบเรา คุณอัฏฐภกรครับถามเรื่องการปฏิบัติทำผิดแล้วเพี้ยนที่หนึ่งเห็นก็เป็นพระกับชีที่อยู่ที่วัดตลอดคือมันเลยทําให้หนูเริงเลสงสัยว่าทำอยู่ใช่หรือไม่อย่างนี้ทําอย่างไรดีอาจารย์จะไดมีกําลังใจในการปฏิบัติต่อไปครับก็อยู่ที่ว่ามีมีครูมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนหรืยไม่ถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็เพียนได้ เปนการมีครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วถ้าเขาไปอยู่ในวัดที่ครูบาอาจารย์ดูเพียนไปแล้วก็ <c oughs> ช่วยไม่ได้ก็เพียนกันไปหมดลเลยเหยียอยู่อะไรดีไหมอ่าก็ต้องเยืดท่าพุทธธรรมท่าสงเป็นหลักเป็นกชูกอาจารย์ก่อนที่เราจะไปอยู่ครูบาอาจารย์รูปอื่นเราต้องศึกษาหลักธรรมของพระเจ้าไว้ก่อน ก็เราจะได้มีมาตรฐานว่าคําสอนของครูบาอาจารย์ที่เราไปอยู่ด้วยว่าท่านสอนแนวเดียวกันพราะว่าจะเจ้าสอนหรือไม่คุณเลมอนครับการโดนเอาเปรียบโดนโกงเกิดจากกรรมของที่เราเคยทํามาใช่ไหมครับก็อยู่ที่เราจะคิดอ่ะว่าถ้าเราไม่มียานยานอย่างทราบเราก็ไม่รู้จริงว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่แต่ถ้าคิดแล้วทาให้ใจเราหายทุกข์ก็ใช้ได้ คุณใบยกครับลูกเจอบททดสอบด้านอารมณ์โกรธไม่ได้ยินคำพูดอันไม่พึงประสงค์ครังมีลูกสอบผ่านเจ้าค่ะและเข้าใจแล้วถ้าเราตอบโต้กลับใจเราเองก็จะร้อนใจเราจะร้อนนั่นแหละคือนรกพอปล่อยผ่านวางลงและเฉยใจเราก็ปกติครับนี่เรื่อนะมีายา์ยนะมียดวงตาเห็นธรรมะ คุณมดครับเวลาเราแผ่เมตตามาตาปิดตุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิดโหพ่อแม่เราได้บุญกุศลจริงไหมครับคือการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญกุศลเป็นคนละเรื่องกันการแผ่เมตตาคือการให้ความความเป็นความปรารถนาดีส่วนการอุทิศบุญก็คือเราทําบุญแล้วเราก็ส่งบุญนี้ไปให้กับผู้ที่น่วมรับไปแล้วได้แต่สำหรับคนเป็นนี้เราเราเร า, เราอุทิศบุญไม่ได้ ถ้าอยากจะให้คนเป็นมบุญเราก็ไปทําบุญคนเป็นเลยเอาเงินเราทำไปให้กับพ่อกับแม่เลยพ่อแม่จะได้มีความสุขใจขึ้นมาบุตรอันยองครับลูกยังไม่มีไรายได้แม่ให้เงินลูกไปทําบุญลูกได้บุญไหมครับยังไม่ได้บุญจากการทําบุญแต่ได้บุญจากการได้ฝึกหัดได้เรียนรู้วิธีทําบุญ ต่อไปเวลาเขามีเงินของเขาเองแล้วเขาอยากจะได้บุญเขาก็จะเอาเงินของเขาเองไปทําบุญอีกทีหนึง่งแล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าทําไปแล้วได้อะไรขึ้นมาคุณดวงพรครับบริจาคโอนเงินทําบุญกับมูบลมูลแนิธิโรงพยาบาลสงกับใส่บาต ท, ทุกวันอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับเท่ากันนะถ้าจํานวนบริจาคเท่ากันก็ได้เท่ากัน คุณไลโคปีนครับถ้าสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรหรือสติปัฏฐานสูตรได้บุญไหมครับถ้าสวดแล้วใจสงบก็ได้บุญเนืว่าถ้าเข้าใจก็ได้ได้บุญคือปัญญาบุญก็มีหลายแบบไงบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาถ้าสวดแล้วเราเข้าใจบทสวดว่ามีไว้เพื่อสอนเราทําอะไรบ้างอนี้เราก็ได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญาขึ้นมาหรือถ้าสวดแล้วทําให้ใจเราสงบมันก็เป็นบุญเหมือนกัน บุญที่เกิดจากการทำใจให้สงบคุณมาลรียรัตครับหลานฝากกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าหากซื้อพระให้น้องบาปไหมครับชื้าพระเครื่องนะไม่บาป<ช>หรอกพระเครื่องก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างนึงมันตกตายอย่างคุณวันธนาครับคนที่จะเสียชีวิตแล้วยาาได้นิมนพระมาสวดก่อนหมดลมหายใจแบบนี้จะช่วยคนนั้นไปดีไหมครับ ก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถทําใจให้สงบจากการที่ได้ยินพระมาสวดหรือถ้าเขาถ้าเขาเข้าใจบสทสวดทําให้เขาปล่อยวางน่างกายได้ดับความทุกข์ใจเขาได้เขาก็เขาก็เขาก็ได้บุญกอเข้เขาไปดีคุณศีดาพัฒนครับบอกก่าเพื่อนเล่าว่าปฏิบัติแบบเดินจงกรมโดยนับเก้าไปด้วยเลยแนะนําเพื่อนว่าเปลี่ยนจากการนับเก้าเป็นบริการพุทโทธได้ไหมคะ กเปลี่ยนถามครับได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เขาเช้สถานะแบบไหนก็ใช้รับเก้าก็ได้พูดโทรก็ได้คุณรัชนีครับบุญถ้าอยากได้ต้องทำที่ตัวเองเท่านั้นใช่ไหมครับใช่คุณสต a r ์ไล h t ครับบอกว่าดื่มเอนทรูหรือน้ามันตับปลาอะไรไหมครับแล้วข้าวของเฉลิออกมีอะไรจาเป็นบ้างไหมครับ คุณเกิดดิพัทครับโดนคมหลอกเอาเงินมาตอนนั้นโกรธมากถึงสาบแช่งแล้วบอกเขาว่านี่ค่อยเอาไว้ใช้กันชาติหน้าแต่ผ่านไปไม่กี่วันดึงสติได้เลยไปทําบุญปรวดน้ำโอโหสิกรรมให้เขาอยากทราบว่าคํำสาบแช่งที่ได้ลั่นวาจาไว้จะส่งผลอยู่ไหมครับไม่ส่งหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่คําพูดของเราเร า, เราไม่สามารถไปสาบแช่งใครได้ คุณนัชณีครับตอนนี้ผู้คนมีความทุกข์ดิฉันไม่สบายใจเลยจะทําอย่างไรดีครับก็คุณก็ทุกข์ออกไปกับเขาด้วยคุณก็ต้องแยกตัวของคุณเองคุณเขาทุกข์ก็เราปเป็นเรื่องของเขาแต่ทุกข์ของเราเนี่ยเราดับทุกข์ของเราได้ดับความไม่สบายใจของเราได้ด้วยการปล่อยวางเขาปล่อยเขาทุกข์ไปก็อยากจะทุกข์ก็เรื่องของเขาไปเราอยากไปอยากให้เขาไม่ทุกข์ ที่เราไ ท, ราทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาไม่ทุกข์คุณอุไริวันบอกว่าเราควรเข้าไปห้ามหรือควรวางเฉยกับกรรมของผู้อื่นเช่นแมวจะกินนกหากเขาไปยุ่งอาจเกิดกรรมไม่ดีกับแมวแต่กรรมดีกับนกหากวางเฉยไม่เข้าไปยุ่งก็จะเป็นกรรมอีกหรือไม่ครับก็อยู่ที่เราว่าเรายอมรับการที่เราจะต้องรับวิบากของการที่เราไปช่วยนกตัวนั้นหรือไม่ยอมให้แมวมันเป็นเจ้ากรรมในเวรเรา แต่เราทําเพื่อช่วยชีวิตของของของนกแต่ถ้าเราไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเราก็ปล่อยทําใจเป็นโอเบงคาไปใเรื่องของกรรมของสัตว์ไปใครทํากรรมเป็นไรไว่าก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป <c oughs> คุณอมพรครับพ่อไล่ ย, ยิงกับร่ำห้ามไม่เชื่อถ้าลูกๆไม่สนใจจะชวนกันทําใจว่าทุกคนเกิดมามีกรรมเป็นของตอนเองลูกคิดแบบนี้บาปไหมครับเคิดแบบนี้ถูกต้องแล้ว เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับพ่อคเขาพ่อก็อยากจะทุกข์กับเรื่องของเขา <c oughs> คุณมงเดือนครับอยากให้บุตรบริวารเป็นคนประพฤติดีต้องสวดมนต์บทไหนดีครับหรือต้องทําบุญส่วนไหนครับเอทําตัวเราเป็นตัวอย่างให้เขาดูไงทําตัวเราให้เป็นคนประพฤติดีมันก็เห็ น, นเราประพฤติดีเขาก็อาจจะเกิดศรัทธาล้วประพฤติดีตามเราก็ได้ คุณการินครับเคยสนทนากับนนปปคนวัย 23-30 ปีกลุ่มหนึ่งเขาต้องการเปลี่ยนศาสนาเขาคิดว่าไม่ต้องกังวลกับบาปการบูมเเวียนหไหวตายเกิดโยมได้แต่ฟังและคิดว่าจะศาสนาไหนก็ไม่พ้นว่าตาสงสารได้ถ้าไม่ได้ปฏิวัติธรรมอย่างนี้ถูกไหมครับใช่มันเป็นความจรงิงมันไม่ได้เกี่ยว ว, ว่าเป็นศาสนาไหนศาสนาที่ไม่สอนก็ไม่ได้ไปลบล้างเรื่องของการเวียน่าวตายเกิดได้เรื่องของการเวียนยยดไห ว, วาตายเกิดก็เหมือนกับการ โคจรของของโลกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเราจะเราจะเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้ไปไ ป, ไปเปลี่ยนแปลงการโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์ได้มันก็โคจรของมันไปตามเรื่อของมันอำพรครับบทที่ไม่ให้ทรมานตนเป็นทุกข์ไหมเวลานั่งสมาธิปวดหัอ บที่ไม่ให้ทรมานตนนด้วยนะก้องการทรมานตนที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ให้ทรมานแต่การทรมานตนที่ทําให้เกิดประโยชน์ก็ทรมานได้เห็นอดอาหารแล้วทําให้เราอขยันภาวนาอย่างนี้ก็ทําได้เริ่มอนหลับอดนอนถือในสัจจิจไม่หลับไม่นอนแล้วทําให้เราได้ภาวนามากขึ้นอย่างนี้ก็ทําได้ไม่ผิด คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเคารินว่าคนที่ทําบุญสิบาทกันหนึ่งล้านบาทได้บุญเหมือนกันแต่ได้นในส่งต่างกันคือคนที่ทำหนึ่งล้านบาทจะได้อันในส่งมากกว่าใช่ไหมครับคือบุญเครื่องอิ่มใจสดใจนี้อาจจะต่างเยอะเหมือนกันก็เพราะว่าทําคนที่ทำสิบบาทก็มีอยู่สิ บ, บาทก็ทําปหมดทั้งสิบบาทเลยคนที่มีล้านบาทก็มีแค่ล้านบาทก็สละไปหมด อย่นี้ก็ถือ ว, ว่าได้ทาบุญสัดส่วนเท่ากันเป็นรอเปอร์เซ็มีน้อย ม, มีมีน้อยบาทก็มีสิบาทก็สละหมดมีร้อยมีน้อยบาทก็สละไปหมดความอิ่มใจสุขใจก็เท่ากันทต่อันนี้สองคือพบหน้าชาติหน้ากลับมาคนสิบบาทก็จะได้งานสิ บ, บาทคืนมาบวกดอกเบี้ยคนที่ทาน้านบาทก็จะได้น้านบาทบวกดอกเบี้ยกลับมารวยไม่เท่ากันเวลากลับมาเกิดชาติหน้า แต่สวรรคที่ไปอยู่นี่อยู่สวร์ชั้นเดียวกันคือความอิ่มใจนี้เป็นตัวกําหนดสวรรค์มันจะอยู่ชั้นไหนมีหกชั้นด้ยวยกันครับยเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยพอทําทําหมดเลยมีเ ท, ท่าไหร่ทาหมดเลยเช่นคนที่ยาวไปออกบวชนี่ถือว่าได้ขึ้นสู่สรรชั้นหกแล้วชั้นสูงสุดนะเพราะสละทรัพย์สมบัติหมดหแล้วไม่ไม่เก็บเอาไว้แต่จะแต่จะรอขึ้นไปสวรคที่สูงกว่านั้ น, นนะคือสวรรค์ชั้นพรหมต่อไป จากการฝึกสมาธิครับขอโอกาสกับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนฟังธรรมอยู่ใน f เ c e b o o k 933คนใน y o ย t u b บ678คนในครับเฮ u s e 8คนครับรวม 1,619 คนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมมังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำมาใช้ ให้การปฏิบัติขึ้นหน้าเจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปตามลําดับต่อไปการแสดงสําหรับวันนี้การสํานาอรำสำหรับวันนี้ก็นน ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าหนึง่งทำยิยขึ้นไปเทสัทุก็ข อ, ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุขัดเข้องกันใดก็คงจะได้พ่อกันิษในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรก้าประคุณพระอาจารย์ครับ